ใ น, นกลายเป็นหน้าที่ของเราสองคนไปะแล้วนะี่ยยินดีค่ะคนต้องหลายร้อยคนรอเราอยู่นะ <c oughs> ถ้าไม่มีเราเขาก็ไม่สามารถที่จะติดตามได้ <c oughs> เราทำประโยชน์เสียสละเวลาแทนที่จะเวลาไปทำอะไรให้กับตัวเองก็ มาทำให้กับคนอื่นเรียกว่าเป็นการทำบุญช่วยเหลือสังคมรับใช้สังคมรับใช้ผู้อื่นบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นต่อไปจะมีคนรับใช้เรามากไปไหนจะมีคนคอยรับใช้เราดีกว่ารับใช้ตัวเราเองรับใช้ตัวเราก็จะไม่มีใครมารับใช้เรา รับใช้เราก็คือไปเทีย่ยวไปทำอะไรของเราเพื่อตัวเราเราไม่ได้ทำอะไรให้กับคนอื่นคนอื่นเขาก็จะไม่ทำอะไรให้กับเราถ้าเราทำอะไรให้กับคนอื่นคนอื่นเขาก็อยากจะทำอะไรเป็นการตอบแทนยางการให้การให้นี้ไม่ได้เป็นการเสียเป็นการได้ให้แล้วเดี๋ยวมันกกลับมาหาเราหมด อะไรไปเนี่ยมันก็กลับมาหาเราหลวงตาท่านเคยพูดเรื่องของการให้ว่าเป็นเหมือนกับประตูเนี่ยประตูถ้าเราปิดเนี่ยของก็ออกไม่ได้ของก็เข้าไม่ได้ถ้าเราเปิดแย้มออกมาหน่อยมันก็ออกไปได้หน่อยหนึง่งมันเข้ามาก็เข้ามาได้หน่อยนึงถ้าเปิดมันเต็มที่เนี่ย มันก็ออกได้เต็มที่มันก็เข้ามาได้เต็มที่เหมือนกับการให้ของเราถ้าเราให้นิดหนึ่งมันก็จะเปิดเปิดประตูเพลงนิดเดียวมันก็เข้ามาได้โจอจับได้ไม่ได้นี่ไม่มีปัญหาแล้วมันมันหายเก็บแล้วมันหายคันแล้วอะก็ไม่ต้องไม่ต้องไปหายุ่งตัวไหนกัดกูวะเออไม่ต้องไม่ต้องไปหาแล้วเพราะมันหายคันแล้วอะเพราะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันคือมันคานใจแต่เราไปเกาเกาข้างนอกอะ ขันใจก็คือคือความอยากความอยากความทุกข์มันเกิดที่ได้เนี่ยคือการคันใช่ไหมแต่เราไปแก้ความทุกข์ข้างนอกอไปแก้การเก่าไปเกาข้างนอกเรามันก็ไม่แก้เท่าไหร่ก็ไม่หายขันอะ่ะอืมจิตเป็นธาตุรู้เฉยอะ่ะคนมีคนกับเราอพอเรามีโอกาสที่จะทดแทนเงินคนณเราก็อยากจะทดแทนยังขอให้เราให้ไปเถอดทาไปเถิดแล้วเดี๋ยวมันมาเอง มันอาจะชาบ้างเร็วบ้างถ้าต้องการให้มันให้ปุ๊บได้ปับ๊บนี่มันไม่ได้เป็นการให้แล้วมันเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นเหมือนการซื้อขายค้าขา ย, ยาไปที่ร้านให้เงินเขาปั๊บเขาค่อให้ของออกมาเลยอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการให้ให้ต้องให้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องกะไม่ได้หวังอะไรเป็นการตอบแทนแล้วมันจะมาของมันเองโดยธรรมชาติ เมื่อถึงเวลามันจะมามันก็จะมาเองเวลาให้ต้องอย่าไปอย่าไปหวังผลตอบแทนจากการให้จากผู้ที่เราให้พอเราต้องการให้เขารับเราไม่ต้องการให้เขาให้เราถึงให้เขาแต่เดี๋ยววันข้างหน้าถ้าเกิดเขามีอะไรเขาก็อยากจะคิดถึงเราเขาก็อยากจะให้เราก่อน ก, ก็ถูกลอเตรี่รางวัลที่หนึ่งเขก็ <c oughs> จำความดีที่เราทำกับเขาเดี๋ยวเขาก็มาแบ่งรางวัลให้เราใช้แต่เราไม่ต้องการอะไรหรอกการให้นี้ให้เพื่อให้เกิดความอิ่มใจสุขใจเม่เราได้รับแล้วซึ่งมีคุณค่ามากกว่าของ<ม>ที่เราจะได้รับกลับมาความสุขใจอิ่มใจนี้มันมีคุณค่ากว่า ของต่างๆของต่างๆมันก็ทําให้ร่างกายอิ่มนั่นเองให้ร่างกายสุขแต่มันไม่ได้ทําให้ใจสุขสุขก็สุขความสุขเดียวเดียวดีใจพอได้ของเลยมาก็ดีใจแป๊บเดียวแต่แป๊บเดียวของนั้นของนั้นยังอยู่แต่ความดีใจก็หายไปละใม่เหมือนกับการให้ให้ไปแล้ว ตายวันเมื่อยังคิดถึงมันอยู่ก็ยังมีความสุขใจอย่างใจอยู่ น, นี่คือเรื่องของใจใจที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทั้งคุณเป็นทั้งโทษถ้ารู้จักใช้ใจใจก็จะเป็นคุณถ้าไม่รู้จักใช้ใจใจก็จะเป็นโทษ ถ้าเรารู้จักใช้ใจไปในทางที่ถูกที่ควรจะเป็นคุณอย่างมากเพราะจะสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้แก่ใจเนี่ยยิ่งใหญ่มหาศาลเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขต่างๆที่ที่เราจะได้จากทางทางด้านอื่นเช่นทางด้านราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสปุถะเป็นความสุขที่ สู้ความสุขที่ได้จากใจที่ได้รับการาฝึกฝนอบรมให้ทำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์าการฝึกฝนอบรมใจนี่เป็นการสร้างความสุขให้กับใจใจที่ได้รับการอบรมที่ดีแล้วนี่ จะนำความสุขมาหาสารมาให้แก่ใจใจที่ไม่ได้รับการอบรมก็จะนำความทุกข์มาหาศารมาให้กับใจดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างาองทรงอบรมใจจนเป็นใจที่สงบเรียบร้อยสะอาดบริสุทธิ์นำความสุขอันยิ่งใหญ่คือพระนิพพานมาให้แก่ใจของพระพุทธเจ้า ส่นใจของพระเทวทัตนี้ไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับการรักษาปล่อยให้ไปตามกําลังของอำนาจของกิเลสตัณหาก็เลยนําโทษอันมหาศาลมาให้ทำให้ไปทำอนันตริยกรรมทำกรรมที่หนักที่มีโทษที่หนักต้องไปตก นรกในขุมที่ลึกที่สุดอันนี้เพราะว่าไม่ได้รู้ไม่ได้รู้จักวิธีอบรมจิตใจให้สะอาดให้สงบปล่อยให้จิตใจถูกอำนาจของความโลภความอยากมาครอบงำจึงพาให้ไปทำกรรมอันยิ่งใหญ่คือพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกัน กรรมที่ยิ่งใหญ่มีอยู่ห้าข้อข้อที่หนึ่งฆ่าพ่อข้อที่สองฆ่าแม่ข้อที่สามฆ่าพระอรหันต์ข้อที่สี่ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดแล้วก็ข้อที่ห้าทำยุทำให้สงเกิดความแตกแยกถือว่าเป็นกรรมที่หนักมีโทษร้ายแรง ถ้าทางโลกก็โทษปะหารชีวิตอันนี้เพราะว่าไม่รู้จักอบรมจิตใจไม่รู้จักรักษาจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ตั้งอยู่ในความดีงามปล่อยให้จิตใจไหลไปตามกระแสของความโลภความอยากอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโต อยากร่ำอยากรวยดูข่าวท้งโลกเห็นไหมพวกที่อยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตด้วยการกระทำผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายแล้วในที่สุดวิบากกรรมมันก็ตามมาต้องไปรับโทษกันติดคุกติดตารางกัน บางทีอาจจะหนีได้โทษทางโลกนี่บางทีหนีได้แต่โทษทางกรรมนี่หนีไม่ได้ตายไปก็ยังต้องไปใช้กรรมในอบายต่อไปถึงแม้ว่าอาจจะหนีคุกหนีตารางได้แต่ใจนี้หนีอบายไม่ได้ถ้าทําบาปแล้วจะต้องไป อบายใดอบายหนึ่งมีอยู่สี่อบายเรยนรชานเปรตอสุรกายนรกดังนั้นเราควรเห็นความสำคัญของการอบรมจิตใจ ย, ยิ่งกว่าความสำคัญของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ว่าจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ อะไรต่างๆที่ทางโลกเขาหลงหลาคขัางไคล้กันมันไม่ได้ทำให้จิตใจนี้จริญไปกับสิ่งเหล่านี้มีแต่จะทำให้จิตใจเสื่อมทำให้จิตใจถ้าไม่ละมัดระวังไปทำบาป ท, ทำกรรมได้ซึ่งมาคอยดูแลรักษาจิตใจ ให้ตั้งอยู่ในธรรมนองครองธรรมให้อยู่ในศีลในธรรมให้อยู่ในความดีงามต่างๆโดยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ทำบุญอยู่ให้เรื่อยนาบุญทาทานบุญมีสิบประการบุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีล รักษาไม่ทําบาปลับเว้นจากการทําบาปเรียกว่าศีลบุญที่เกิดจากการอบรมจิตใจให้สงบให้ฉลาดเรียกว่าภาวนาบุญที่เกิดจากการอุทิศ ส, ส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ลงรับไปแล้วเรียกว่าบุญอุทิศบุญที่เกิดจากการแสดงความยินดีกับการทําบุญของผู้อือ่นเช่นเราสองคนมาช่วยทํางาน เพื่อนฝูงที่รู้ควจะอนุโมทนาแสดงความยินดีไม่ใช่บอกว่าเสียเวลาเปล่าๆไปเที่ยวกันไปช็อปปิ้งกันดีกว่าเอพวกนั้นไม่รู้จักอนุโมทนาบุญเขาก็จะไม่ได้รับความสุขจากการที่เห็นเรามาทําบุญมาเสียสละมาทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเขาก็จะไม่ได้บุญ อนุโมทนาบุญเวลาเราเห็นใครทําความดีเราอย่าไปอิจฉาวิเศษเราอย่าไปาขวางอย่าไปขัดเราควรที่จะแสดงความยิ น, มยนดีต้องการทาความดีมันเป็นประโยชน์ทั้งคนทําและคนที่ถูกทำํำได้รับประโยชน์แต่บางคนนี้เขาไม่ยินดี จะมีครอบครัวหนึ่งแม่ชอบทำบุญทาทานแต่ลูกเสียดายเงินเพราะยิ่งทำเดี๋ยวมรดกก็ยิ่งน้อยอวลาแม่ทำบุญจะลายใจใจหวันไหวทุกทีเลยไม่ได้รับความสุขจากการเห็นหแม่ทาบุญกับทุกทุกครั้งที่แม่ทำบุญเพราะหวังเงินของแม่ที่จะเป็นมรดก ถ้าแม่ตายไปถ้าแม่ทาไม่ทําบุญเงินก็จะมีเยอะตอนนี้ก็จะได้มรดกเยอะแต่ถ้าแม่ทําบุญมรดกก็จะน้อยนี่คือความโลภทำให้ไม่เห็นคุณค่าของบุญไม่คิดถึงว่าประโยชน์ที่แม่ควรจะได้รับแม่ผู้มีพระคุณอย่างยิ่งท่านทําบุญเราควรจะดีใจว่าท่านไปเวลาท่านจากโลกนี้ไปท่านจะได้ไปสบาย ท่านจะได้ไปสู่สุคติแต่ความรลวมมันทำกลับให้มองไม่เห็นกลับไม่อยากให้แม่ทำบุญอยากจะให้แม่เป็นขอทานเวลาตายไปกลาเป็นเปแล้วลูกก็จะทำบุญอุทิศไปให้ <c oughs> <c oughs> บุญที่แม่ทาเนี่ยได้น้อยเป็นร้อยเต็มร้อย แต่บุญที่เราทิ้ไปให้แม่ที่ตายไปแล้วนี่ได้แค่ร้อยละสิบเท่านั้นเองอยิ่งถ้าพ่อแม่เห็นท่านทําบุญก็รีบอนุโมทนาสนับสนุนเลยพาท่านไปทําบุญเลยท่านอยากทำํำท่านไหนทําไปเลยกระดูกที่ท่านให้เรามานี่เหลือเหลือมีคนค่ากว่าเงินทองที่จะเหลือทิ้งไว้ให้เราสิ่งที่ท่านให้เรามาก็คือชีวิตเนี่ย ให้ร่างกายเรามานี่มันก็มีคุณค่ามาหาศาลกว่าอทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองถ้าเลือกระหว่างชีวิตกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเราจะเอาอะไรเยถ้าเราไม่มีร่างกายเราจะสามารถทําอะไรตามที่เราทําอยู่ได้ทุกวันนี้หรือไม่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการที่เราได้ร่างกายนี้มาจากพ่อแม่ยเราได้รับมรดกเราตั้งแต่ ตั้งแต่พ่อแม่ยังไม่ตายส่วนข้าวของเงินทองนี้เป็นของแถมได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าได้มีชีวิตยอยู่เราสามารถหาเองได้ถ้าเราไม่เกียจข้าเราไม่งโง่ทสอย่างสามารถหาเงินทองได้โดยไม่ที่ไม่ต้องมารอรับมรดกของพ่อของแม่ควรจะปล่อยให้คพ่อแม่เขาใช้เงินทองที่ก็หามาได้ตามอัธยาศัยของเขา ไม่ควรที่จะไปบีบบังคับไปห้ามปล่อยให้เขาทําได้เต็มที่อยากจะสละสมบัติทั้งหมดโดยการทำบุญก็ต้องยินดีต้องแสดงความยินดีพอจะพอรวมพ่อแม่ตายไปต้องไปสู่สุคติอย่างแน่ น, นอนเราอยากให้แม่ไปพ่อแม่ไปอบายเลย เราอยากจะให้พ่อแม่ไปสุขติกันทนะั้งนั้นถ้าพ่อแม่ทำบุญทำทานเราก็ต้องแสดงความยินดีอันนี้เรียกว่าอนุโมทนาบุญบุญข้อต่อมาบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นมาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นองค์กรสาธารณกุศลต่างๆเขาทำบุญแบบนี้ทำบุญเพื่อรับใช้สังคมช่วยเหลือสังคม ช่ยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนทำแล้วก็จะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาบุญอีกข้อหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนส ม, มามีสัมมาคารวะรู้ที่รูที่สูงที่ต่ำไม่กลัวที่จะ อดเก่งอดดีอดนั่งอดรวยอนใหญ่อดโตเพราะว่าจะไม่เป็นที่ยินดีของผู้อื่นไม่มีใครชอบคบค้าสมาคมกับคนที่อดเก่งไปอยู่กับใครก็จะเก่งกับคนอื่นอยู่ด้วยไม่มีใครเขาอยากจะอยู่ด้วยแต่ถ้าอยู่แล้วไม่เก่งกับคนอื่นให้คนอื่นเขาเก่งกว่านียคนอื่นเขาก็จะยินดีให้เราอยู่ด้วย จะมีเพื่อนเยอะถ้าโอดเก่งโอดดีนั้นจะไม่มีเพื่อนถ้ามึงเก่งจริงมึงก็อยู่คนเดียวไปอ่อนน้อมทำตนไปอยู่ที่ไหนก็จะมีคนรักคนชอบไม่มีใครรังเกียจยินดีที่จะสนับสนุนช่วยเหลือถ้าถ้ามีความเดือดร้อน แต่คนที่หวัวเก่งหวัว ด, ดีเวลาเดือนร้องไม่มีใครจะสนใจที่อยากจะช่วยเหลือในเมื่อถือว่าตนเองเก่งก็ช่วยตัวเองไปนี่คือบุญที่เกิดจากการเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะนอนจากที่สูงที่ต่ำบุคคลที่สูงกว่าเราก็ต้องเทิดทูนท่านให้ความเคารพนับถือ โอ้มีพาะคุณทั้งหลายเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์หรือผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับเรา <Yeah. S 1> เราก็ต้องเทิดทูนท่าน <Yeah. S 1> ยกย่องท่าน <Yeah. S 1> นี่เป็นความกตัญญูกะตะเวที <Yeah. S 1> คนดีนี่สัญลักษณ์ของคนดีก็คือความกตัญญูกะตะเวที ถ้าไม่มีความกตัญญูกัแต่เวทีนี้เป็นคนดีได้ยากคนที่ลืมบุญคุณคนเป็นคนที่เป็นคนดีไม่ได้พระพุทธเจ้ายกย่องภาษารีบุตรมีชายคนหนึ่งอยากจะมาขอบุตรพระพุทธเจ้าก็ถามพระสงฆ์ว่าชายคนนี้ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับสงฆ์บ้าง ภาษาเลยบุตก็บอกเคยใส่บาตรให้ข้าวกับผมหนึ่งช้อนพูดแค่นี้พระเจ้าว่าอะบุตได้ ừ ừ บางคนอาจจะอับอายไม่รู้จักคนจนพอจะต้องแสดงตัวว่ารู้จักนะครับบางทีก็ทำเป็นตัวไม่รู้จักกลัวอับอายขายหน้าว่าไปเป็นเพื่อนกับคนยากคนจน ừ ừ. ก็ทำเป็นเหมือนไม่รู้จักอันนี้ก็แสดงว่าไม่มีความกระตันอยู่ถึงแม้คนจนนั้นเขาอาจจะเคยช่วยเหลือเมือทำอะไรให้เราก็ไม่พูดไม่บอกใครอันนี้ก็เรื่องของอความกระตันอยู่ความอ่อนน้อมถ่อมตนจะทาให้ผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีนความกระตันอยู่นี่ มีความสุขบุญอีกข้อหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องเออเห็นหมาเป็นหมาเห็นแมวเป็นแมวไมจะเห็นกลับตาเราปัดไม่ใช่เห็นแมวเป็นหมาเห็นหมาเป็นแมวคนที่เห็นหมาเป็นแมวก็คือพวกที่เห็นว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเห็นว่าทําบุญแล้วไม่ไม่มีผลตอบแทน ทำบาปแล้วไม่มีผลตอบแทนอพวกนี้เหมือนกับพวกเห็นหมาเป็นแมวเห็นแมวเป็นหมาไม่เห็นตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าทรงเห็นตามความเป็นจริงสว่างขาโตปังกวาตาธรรมโมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนที่จัดไว้ชอบแล้วถูกต้องตามความเป็นจริงต้องเห็นว่าทําบุญแล้วตายไปต้องไปสวรรค์ทําบาปแล้วต้องไปนรก แต่ยังมีความโลภความอยากอยู่ก็ยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเราเรียนว่าตายเกิดต่อไปนี่เป็นการมีความเห็นที่ถูกต้องถ้ายังไม่มีความเห็นที่ถูกต้องก็ต้องทำบุญอีกข้อหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเต้องการฟังเทศฟังธรรมก็ฟังความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้นี่เอง พอฟังความจริงเราก็จะได้ยินพระพุทธเจ้าสอนว่านรกมีจริงนะบาปมีจริงนะบุญที่ทำนี้มีผลจริงนะบาปที่ทำนี้มีผลการเวียนว่าตายเกิดมีนะตายแล้วไม่สูนร่างกายตายไปแล้วใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปเมื่อรับผลบุญผลบาปเสร็จแล้ว ถ้ายังมีความโลภความอยากก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้ายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะก็ต้องกลับมามีร่างกายใหม่เพื่อจะได้ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่อไปการเวียนว่ายตายเกิดก็เลยต้องมีอยู่เรื่อยๆตราบใดที่ยังมีความอยากอยู่แล้วพอมาเกิดก็ต้องมารับผลบุญผลบาปถ้า ได้ทำบุญมามาเกิดก็สบายมีทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองรออยู่ถ้าทำบาปกามาก็จะมีแต่เคราะกรรมมีแต่มีแต่ปัญหามีแต่เรื่องราวต่างๆมาคอยรบกวนจิตใจอยู่ตลอดเวลานะนี่คือเรื่องของการมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องถ้าไม่มีก็ต้องมาฟังเทศฟังธรรม ถ้าใครไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อกฏแห่งกรรมไม่เชื่อวัานนรกมีจริงสวรรค์มีจริงไม่เชื่อว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วยังต้องไปเกิดใหม่ต้องมาฟังเพศฟังธรรมบ่อยๆฟังบ่อยๆแล้วก็จะก็จะเชื่อการฟังธรรมนี้จะทำให้กจาจัดความสงสัยให้หมดไปได้ถ้าฟังจากผู้รู้จริงเห็นจริง แต่ถ้าฟังจากผู้ไม่รู้จริงเห็นจริงก็อาจจะไม่หายอาจจะสงสัยมากขึ้นก็ได้เพราะคนสอนสอนแบบไม่แน่ใจยัต้องฟังทำจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงผู้ที่บรรลุธรรมนั่นแหละคือผู้ที่รู้ธรรมรู้จริงเห็นจริงผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราเรียกว่าสุปฏิปันโนต้องฟังจากพระสุปฏิปันโนทั้งหลาย อ่านประวัติหลวงปู่มั่นรับรองได้ว่าจะเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกลางเรีนว่าตายเกิดเรื่องนาโนเรื่องสวรรค์อ่านหนังสือขอาหลวตามหาบวัวอ่านไปแล้วเดี๋ยวก็จะเชื่อเองเพราะท่านยืนยันนอนยันว่เป็นความจริงแล้วท่านคำทีิบายว่าสวรรค์นาโนมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจเรา ใจเราเนี่แหละเป็นสวรรค์เป็นนรกเวลาใจเย็นใจสบายก็เป็นสวรรค์เวลาใจร้อนขึ้นมาก็เป็นนรกเป็นขึ้นมาแล้วสิ่งที่ทําให้ใจร้อนก็คืออะไรก็บาปนะทําบาปแล้วใจเย็นไหมแล้วสิ่งที่ทําให้ใจเย็นคืออะไรก็ทําบุญทําบุญแล้วใจเย็นไหมมันเอาเข้าตู้เย็นเย็นเฉียบะ ทำแล้วใจเย็นใจสบายเนียบุญสิบประการที่แสดงในเดี๋ยวนี้เรามาไปทําดูแล้วใจจะเย็นใจจะสบายทําบุญให้ทานใจจะเย็นสบายรักษาศีลได้ใจจะเย็นจะสบายนั่งสมาธิได้ใจจะเย็นจะสบายเยจเริญปัญญาได้ยิ่งเย็นยิ่ ง, งสบายปล่อยวางได้ปล่อยวางความยึด มั่นถือมันในสิ่งต่างๆถ้าไม่ได้ทําบุญใจจะร้อนอยู่ตลอดเวลายิ่งได้แทนที่จะยิ่งอิ่มกับยิ่งหิวได้คืบแล้วก็อยากจะได้สอกเห็นไหมได้สอกแล้วก็อยากจะได้วายิ่งได้ยิ่งหิวยิ่งให้ยิ่งอิ่มให้ร้อยหนึ่งแล้วข่าวต่อไปก็อยากจะให้ห้าร้อยให้ห้าร้ยแล้วข่าวต่อไปก็อยากจะให้พันหนึ่ง รู้สึกว่าให้แล้วมันมีความสุขมันอิ่มใจสุขใจมากขึ้นนี่คือธรรมชาติของใจใจเย็นใจสุขเพราะการให้เพราะการไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพราะการทำจิตให้สงบนั่งสมาธิเพราะการปล่อยวางด้วยปัญญาเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไปยึดไปติดแล้วก็ไปยึดกับกองทุกข์ เพราะสิ่งที่เรายึดเราติดมันไม่เที่ยงมันจะต้องมีการจากเราไปถ้าเรายึดเราติดเวลามันจากเราไปเราจะทุกข์มากแล้วขณะที่ยังไม่จากก็ทุกข์ทุกข์เพราะความกังวลรู้ว่าตั้งวันหนึ่งจะต้องจากกันแต่ถ้าไม่ยึดไม่ติดเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นของที่เกิดแล้วก็ต้องดับเป็นไม่ใช่เป็นของเราเป็นของชั่วคราวเป็นของเราชั่วคราว เป็นเงินของที่เรายืมเข้ามาเดีย๋ยวสักวันหนึ่งเจ้าของเขาก็ต้องมาเอาเกินไปเจ้าของของสมบัติต่างๆที่เรามีนี้คือใครก็คือดินน้ําลมไฟนี้เอของทั้งหมดนี้ทำมาจากธาตุทั้งสี่ดินน้ําลมไฟในรูปแบบต่างๆต้นไม้นี่ก็มีดินน้ําลมไฟร่างกายของเราก็มีดินน้ำลมไฟ ดานหลังนี้ก็มีดินน้ำนวลไฟทำให้มันเกิดเป็นเป็นสิ่งต่างๆขึ้นมาได้เวลาเราจะผลิตอะไรนี่สังกะสีนี่มันต้องใช้ไฟหลอมใช้น้ำมาม า, มาทำให้มันเย็นนะเพื่อมันจะได้เป็นรูปเป็นร่างตามที่เราต้องการนะก็เป็นเรื่องของการปรุงแต่งของธาตุทั้งสี่ดินน้ำนวลไฟ มันทำกับข้าวเนี่ยเราก็ต้องปรุงแต่งเนี่ยใส่ใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่น้ํามันใส่ผักใส่หมูใส่เนื้อเไปเนแต่แล้วก็กลายเป็นอ า, อาหารอันโอชะเึ็นมาพวกนี้ก็มาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันผักก็มาจากดินนะน้ำแกงก็มาจากน้ำทั้ทุกอย่างที่ในมีอยู่ในโลกนี้มันมาจากดินน้ำลงไฟ เอามารวมกันแล้วเดี๋ยวมันก็แยกกันทุกอย่างไม่อยู่เหมือนเดิมไปตลอดต้นไม้ที่มีอยู่ในปา่าในเขาเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องตายไปที่เราต้นสองต้นต้นไม้ใหม่มันก็โผล่ขึ้นมาแทนที่ร่างกายคนเราก็เหมือนต้นไม้ร่างกายของคนแก่เดี๋ยวก็ตายไปเดี๋ยวก็มีร่างกายของคนใหม่ของเด็กโผล่ขึ้นมาใหม่ก็มีเกิดมีตายกัน มาตลอดเป็นเรื่องของดินน้ำลมไฟทั้นั้นไม่มีอะไรนอกจากดินน้ำลมไฟก็มีทา่าอีกสองทา่าที่เป็นส่วนประกอบที่สําคัญอวกาศาธาตุคือความว่างแล้วก็วิญญาณธ า, าตุหรือธาตุรู้ธาตุรู้นี้เมื่อมาผสมกับธาตุสีของร่างกายก็ทําให้ร่างกายนี้ เคลื่อนไหวได้เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาต้นไม้นี่ไม่มีธาตุรู้มามาผสมด้วยต้นไม้ก็เลยไม่ได้เป็นเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นเหมือนกับเดรัจฉานแต่ก็มีธาตุสี่เหมือนกับร่างกายของมนุษย์ร่างกายของเดรัจฉานเหมือนกันต้องกินน้ำต้องกินดินเหมือนกันต้นไม้นี่ตลอดเวลาเขาก็กาลังกินดินกินน้ากินอากาศอยู่ ินลมอยู่อรมก็คืออากาศแล้วก็กินไฟคือความร้อนถ้าหนาวจัดถ้าไม่มีความร้อนทุกอย่างก็แข็งเป็นน้าแข็งไปหมดก็เหลือแต่ธาตุธาตุน้ำที่แข็งธาดินส่วนธาตุธาตุมก็ก็มีอยู่แต่ธาตไฟก็หายไปถ้ามีสามธาตุมันก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาไม่ได้ ให้มองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นธาตุเราอยู่ในโลกกับธาตุทุกสิ่งทุกอย่างทามาจากธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งหกธาตุสี่ก็ดินน้าลมไฟแล้วถ้ามีธาตุห้าก็คือธาตุรู้มาเข้ามารวมก็จะเป็นร่างเป็นมนุษย์ขึ้นมาเป็นเดรัจฉานขึ้นมา ส่วนอวากาศธาตุก็คือเป็นที่ตั้งของของเป็นที่ตั้งของเป็นที่เคลื่อนไหวเนี่ยร่างกายถ้าไม่มีไม่มีพื้นที่ก็ไม่สามารถที่ขยับไปไหนได้่ที่เรามีพื้นที่กว้างที่ร่างกายเราสามารถไปไปไหนมาไหนได้พื้นที่ที่กว้างนี้ที่เป็นที่เรียกว่าเป็นบริเวณเราเรียกว่าอวากาศธาตุเนี่ยเป็นพื้นที่ ภ า, าษาอังกฤษเขาแปลว่า space แปลว่าพื้นที่ space element อยากรู้สึกว่าเขาแปล space element เป็นอากาศถาธาตุ mm hmm. ความจริงมันต้องเป็นอวกาศอวกาศเหมือนเวลาที่เราส่งยานอวกาศเอาไปนอกโลกนี้ก็ไปอยู่ในอวกาศอยู่ใน space เห็นะ คำว่าสเปนี่แหะคืออาวากาศสทาพแต่เวลาเขาเขากา็บอ า, ากาศสัทภาพตัววอมันหายไปก็เลยแต่อากาศสาัทภาพแทนควาจริงมันน่าจะเป็นอาวากาศสัทภาพมากกว่าแปลว่า Space แปลว่าพื้นที่ถ้ารางกายไม่มีพื้นที่มันก็ไปไหนไม่ได้มันก็ต้องติดอยู่เหมือนกับติดอยู่ในในคลอกในกองไง แต่มันมีพื้นที่ให้มันไปไหนมาไหนได้ดวงดาวดวงอะไรต่างๆก็มีพื้นที่นะพาทก็มีพื้นที่ให้โคจรไปโลกก็มีพื้นที่ให้มันโคจรไปนี่ก็พื้นที่นี้ก็เรียกว่าอาวากาศธาตุเป็นธาตุที่หกรวมกันทั้งโลกทั้งจักรวาลนี้ก็ประกอบขึ้นกับประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งหกนี้ถ้ามี วิญญาณธาตุมาเกี่ยวข้องด้วยก็เป็นมนุษย์เป็นสัตว์ในร่างไปแต่ถ้ามีถ้ามีวิญญาณธาตุอย่างเดียวไม่มีไม่ได้มารวมกับธาตุทั้งสี่คือดินน้าลมไฟก็เป็นกายทิพย์ไปวิญญาณธาตุเวลาที่ไม่ได้มารวมกับธาตุสี่ไม่ได้มารวมกับร่างกายก็เป็นกายทิพย์ไปกายทิพย์ก็แบ่งเป็นสองขั้วกายทิพย์ที่มีสุขเราก็เรียกว่าเทพเทวดา กายทิพย์ที่มีทุกข์ก็พวกเปรตพวกปะสุลกายพวกนรกนี่พวกนี้มีแต่ความร้อนเพราะเป็นกายทิพย์ที่ทําบาปทําบาปแล้วก็เหมือนกับไปจุดจุดเตาจุดไฟขึ้นมาในใจทําให้เกิดความร้อนขึ้นมาในใจรุ่มร้อนใจทําบาปบาปนี้คือความร้อนส่วนพวกที่ทําบุญก็เหมือนพวกที่ติดเครื่องปรับอากาศ เพิ่งทำความเย็นพอทำบุญแล้วใจก็เย็นสบายเย็นมากเย็นน้อยตามอุณหภูมิที่เราตั้งได้สวรรค์ก็มีหลายชั้นสวรรค์ที่มีความเย็นมากเย็นน้อยยิ่งทำบุญมากก็ยิ่งเย็นมากทำบุญน้อยก็เย็นน้อยนี่ก็เป็นพวกรางที่ที่ที่เกิดจากการทำบุญ คือให้ทานไม่ทำบาปตรงนี้ก็จะเป็นพวกเทพเทวดาทั้งหลายแล้วก็มีพวกหนึ่งที่อนอกจากทำบุญแล้วไม่ทำบาปแล้วยังมาทำใจให้สงบอกีกนั่งสมาธิทำใจให้สงบพรงนี้ก็จะเป็นพวกพรมเพราะพวกนี้จะอยู่ในความสุขที่ที่เย็นกว่าที่ที่สบายกว่าเพราะว่าหยุด การทำงานของของความคิดปรุงแต่งของทาให้จิตนิ่งจิตสงบเป็นความสุขที่สูงสุดเป็นความสุขของสวรรค์ชั้นพรหมแต่สวรรค์ชั้นพรหมนี้ยังเป็นสวรรค์ที่ยังเสื่อมอยู่ต้องทาให้มันเป็นสวรรค์ที่ไม่เสื่อมก็คือต้องใช้ปัญญาถ้ามีปัญญาก็จะสามารถรักษาความสุข ที่ได้จากการเข้าสมาธินี้ให้อยู่ต่อไปได้เวลาออกจากสมาธิมาในการใช้ปัญญาหยุดตัวที่จะมาทําลายความสุขความสงบก็คือติเลตตันหาความโลภอยากความอยากต่างๆพอออกจากสมาธิมาพอโลภอยากจะดื่มกาแฟก็ต้องใช้ปัญญามาหยุดมันดื่มแล้วมันทุกข์นะสุขเดียวเดียวสุขตอนตอนที่ได้ดื่ม พอเวลาไม่ได้ดื่มมันก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่ถ้าไม่ไปดื่มมันต่อไปความอยากก็จะไม่มาไม่ไม่มาใจก็จะไม่ต้องไม่ต้องทุกข์กับการไปหาอะไรมาดื่มอันนี้เี็ตัวอย่างของการใช้ปัญญาตรงนี้ก็จะเป็นเป็นอริยะเจ้าไปเป็นโสดาบันเป็นสกิดาคามีอนาคามีเป็นอาราหันต์ไป ตามกาลังของความของปัญญาที่จะดับความอยากต่างๆที่มีหลายหลายตัวด้วยกันพระโสดาบันก็ดับได้สองสามตัวพระสกิาคามีก็ทำให้ทาอีกสองตัวให้เบาบางลงพระนาคามีก็ทำให้หมดเลยหยุดความอยากได้ห้าตัวส่วนพระอรหันต์ก็หยุดความอยากอีกห้าตัวให้หมดไปนี่คือ เรื่องของจิตวิญญาณหรือธาตุรู้นี้ที่จะเป็นไปอะไรต่างๆตามการกระทำของของจิตเองถ้าจิตคิดไปในทางชั่วคิดทำบาจิตก็จะตกต่ำเป็นจิตเป็นเป็นธาตุรู้ที่มีแต่ความรุ่มร้อน ทำไปในทางบุญที่พระเจ้าเจ้าสอนให้ทำเพราะพระเจ้าเจ้าได้พิสูจน์แล้วว่าวิธีที่จะทำให้ใจเราเย็นนีก็คือทำบุญสิบประการนี่ทำทานรักษาศีลภาวนาอุทิศบุญอนุโมทนาบุญรับใช้ผู้อื่นอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเห็นที่ถูกต้อง ทังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วถ้ามีธรรมก็แบ่งให้ผู้อื่นแจกใจายให้กับผู้อื่นเป็นธรรมทานเนียนี่เป็นวิธีจะทำให้จิตใจมีความเย็นมีความสุขเป็นสวรรค์ชั้นต่างๆขึ้นมาสวรรค์นี้คือใจความเย็นของใจเย็นมากเย็นน้อยเหมือนกับเครื่องปรับอากาศที่เขามีที่ตั้งอุณหภูมิอยากจะเย็นแค่ 20ก็ได้20องศา19ก็ได้18ก็ได้17ก็ได้ตั้งได้อันใดความเย็นของจิตเราก็ตั้งได้จากการปฏิบัติของเราถ้าทําทางรักษาศีลก็เย็นในระดับหนึ่งถ้านั่งสมาธิก็เย็นขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วถ้าอยากจะให้มันเย็นอย่างถาวรไม่ต้องหายไป ก็ใช้ปัญญาสอนใจให้คอยกําจัดตัวที่จะม า, าเปลี่ยนอุณภูมิจ า, ากเย็นให้มันเป็นร้อนอตัวที่ทำให้ใจจากใจที่เย็นนี่เป็นร้อนก็คือความอยากเนี่ยไม่เชื่อลองสังเกตดูเลยนั่งอยู่ดีๆใจเย็นพอได้ยินเรื่องราวอะไรขึ้นมานี้ดีไม่ดีดดโกรธขึ้นมาแล้วเขาโกรธขึ้นมา ใ, ใจก็ร้อนขึ้นมาแล้ว เมื่อโลภขึ้นมาอยากอะไรขึ้นมาใจก็จะร้อนขึ้นมาทันทีพอมันโลภมันอยากมันร้อนเราก็ต้องรีบใช้ปัญญามาปรับมาแก้ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทำตามความโลภอย่าไปทำตามความโกรธพะมันไม่ได้ทำให้ใจเย็นมันจะทำให้ใจยิ่งร้อนขึ้นไปใหญ่พอยิ่งโลภยิ่งโลพอโลภแล้วมันยิ่งจะโลภมากขึ้นไปมันจะไม่ใช่โลภน้อยลงไป พออยากแล้วมันจะอยากมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความอยากทําให้ใจร้อนความอยากทําให้ใจต้องมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่นี่คือปัญญาต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันก็เป็นทุกข์ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปได้มาแล้วก็ต้องจากกันไม่มีใครอยู่ด้วยกันไปตลอด ต้องมีวันพัดผ้าจากกันในที่สุดบางคนก็ช้าบางคนก็เร็วบางคนแต่งงานแค่วันเดียวก็ตายก็มีจากกันก็มีบางคนยังไม่ทันแต่งเพียงแต่มั่นกันเท่านั้นเองก็ตายจากกันก็มีนั่นไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้ที่แน่นอนก็คือการพัดผจากที่แน่นอนก็คือความทุกข์แต่เรามักจะมองไม่เห็นกันเราลืมมันเราลืมว่าเราจะต้องจากกัน เราคิดว่าเราได้อะไรมาแล้วมันจะต้องอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดพอมันไม่เป็นของเราขึ้นมาที่นี้ก็เดือดร้อนเลยอะยืมเงินไปแล้วไม่ใช้ เ, เดือดร้อนนะไม่คิดว่ามันต้องไปไปแล้วไม่กลับไปไม่กลับหลับไม่ตื่นไม่คิดบ้างคิดว่าไปแล้วจะกลับมาวิธีใช้เขามันกลับมาก็ต้องมีของผูกดึงไว้สิ ต้องมีเชือกหนึ่งไว้กาอยากจะเอาเงินไปก็เอาโฉนดมาวางไว้สิใช่ไหมเอารถมาวางไว้มีของที่มีคุณค่าราคาพอๆกันอันนี้มันไม่ไปมันจะไปแล้วมไม่มันต้องกลับถ้ามันอยากจะได้ของคืนมันก็ต้องเอาเงินมาคืนเราแต่ถ้าจะให้ไปแบบปากปล่าก็ซวยไปช่วยไม่ได้ <c oughs> ใคาอยากจะยืมเงินกั อยากให้เขายิงเงินถ้าอยากจะได้เคินก็ต้องมี อ, อะไรมัดจำมาไว้มีหลักทรัพย์มีหลักประกันงั้นธนาคารก็เจ๊งสิใช่ไหมธนาคารนี่ถ้าใครไปยืงเงินก็ให้เขายืงเพียงแต่ให้เขาเซ็นชื่อรับปากว่าจะใช้ที่นี้รับรองได้ไม่มีขึ้นได้ขึ้นหรอกเวลาธนาคารเขาจะให้คนกู้นี่ก็ต้องไปเอาหลักทรัพย์มาประกันก่อนเราก็ต้องทําแบบธนาคารสิ เวลาใครจะมายืมเงินเราแล้วก็ต้องบอกคุณมีหลักทรัพย์อะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ช่วยไม่ได้เพลาจะไปรู้ไงว่ า, าวคุณจะเอาคืนเอาเงินมาคืนเราหรือเปล่าบางคนมันโกหกได้พูดอย่างทำอีกอย่างต้องกล้าพูดไม่ต้องไปเกรงใจถ้าเขากล้าขอเราเราก็ต้องกล้าพูดถ้อากล้าขอเรากลับเกรงใจเขาไม่กล้าพูดเราก็งโง่ ถูกเขาหลอกไปคูดกันให้เป็นธุรกิจไปถ้าพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองนี่มันต้องเป็นธุรกิจแล้วมันไม่เป็นเรื่องพี่เรื่องน้องเรื่องเพื่อนฝูงแล้ว ม, มันเป็นเรื่องธุรกิจพูดกันต่อหน้าเลอถ้าคุณจะพูดเรื่องเอ ง, งินทองนั้นเราต้องพูดกันแบบนักธุรกิจเรถ้าจะมาพูดแบบเพื่อนฝูงนี้ก็อย่าพูดเรื่องเองินทอง ถ้าอยากจะเป็นเพื่อนกันก็อย่ามาพูดเรื่องเงินทองถ้าจะพูดเรื่องเงินทองก็ต้องถือว่าไม่ได้เป็นเพื่อนกันละเป็นนักธุรกิจอย่างนี้พูดไปอย่างนี้เขาก็จะได้แต่ะ้ะไม่กล้ามายืนกันนี่ก็คือเรื่องของปัญญาต้องฉลาด ต้องรู้ถึงผลที่จะตามมาจากการกระทำของเราผลที่จะทำที่เกิดจากการทำตา ม, ตามความอยากก็คือความทุกข์นี่แหละไม่ช้าก็เร็วก็ต้องทุกข์เพราะอยากแล้วเวลาไม่ได้ขึ้นมามันก็ทุกข์แล้วมันต้องมีวันหนึ่งที่จะอยากแล้วจะมันมันจะไม่ได้ตามความอยากเพราะสิ่งที่เราอยากได้อาจจะหมดอาจจะไม่มีด้วปัญญาที่เราจะไปเอามาไม่มีไม่มีเงินไม่มีทอง หรือร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความสามารถที่จะไปเอาสิ่งที่เราอยากได้เวลานั้นมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปนี่คือการใช้ปัญญาให้เห็นว่าการทําตามความอยากนี้เป็นการทำลายความสงบที่เราได้จากสมาธิอย่าไปทํามันดีกว่าถ้าออกจากสมาธิมาหิวน้าก็ดื่มน้าเปล่าไปจบ ถ้าไปดื่มกาแฟาแล้วเดี๋ยวก็หิวอีกเดี๋ยวก็อยากจะกินกาแฟาไปเรื่อยๆอยากจะไปดื่มเครื่องดื่มนั้นเครื่องดื่มนี้มันจะติดพอไม่ดื่มมันก็จะทุกข์นี่คือปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วจะสามารถรักษาความสงบที่ได้ไว้ต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาแล้วต่อไปก็จะไม่มีอะไรมาทำลายความสงบ เราทุกครั้งที่เกิดความอยากเราก็ใช้ปัญญากําจัดมันใจเราก็จะเย็นไปเรื่อยๆัวที่จะมาเพิ่มความร้อนให้กับใจก็ถูกทําลายไปด้วยปัญญาปัญญาก็ใจก็จะปลอดภัยจากความรุ่มร้อนต่างๆใจก็จะเย็นเฉียบไปตลอดเนี่ยใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันต์ตาวกนี้เย็นตลอดเวลา นิบานางปละมังสุขขังนี่คือเรื่องของธาตุรู้เท่านั้นะธาตุรู้นี่แหละเป็นตัวที่เป็นสวรรค์เป็นภพต่างๆเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยะเจ้านรืเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนรกนี่เป็นที่ธาตุรู้ไม่ได้เป็นที่ร่างกายร่างกายตอนนี้เป็นมนุษย์น แต่ถ้าดูตอนนี้อาจจะเป็นเดรัจฉานก็ได้อาจจะเป็นเทวดาก็ได้ถ้าไปขโมยข้าวเข้ามากินก็ไปเป็นเดรัจฉานถ้าเอาข้าวใส่บาตรก็เป็นเทวดาละของเันเดียวกันทําแล้วมันทําให้ใจนี้พลิกไปเป็นคนละเรื่องกันเลยเอาข้าวให้คนอื่นกินนี่ก็กลายเป็นเทวดาไปไปขโมยข้าวของคนอื่นมากินก็กลายเป็นหมาไปเห็นไหย เนี่ยมันอับรองทันทีเลยสาธุทันทีเลยนะขอให้เราเชื่อบุญเชื่อบาปนะเชื่อนรกเชื่อสวรรคนะ์เชื่อว่าตายแล้วไม่สูญถ้ารู้ไม่มีวันตายธาตุสธาตุร่างกายก็เป็นเพียงธาตุสี่เท่านั้นเองที่จะต้องแยกทางกันไปธาตุสี่มารวมกันแล้วเดี๋ยวเขาก็จะต้องแยกทางกันเพราะเขาอยู่กันไปร่วมกันไม่ได้ เขาอยากจะกลับไปสู่ธาตุดิมของเขาธาตุน้ําก็กลับไปหาธาตุน้ำใ น, นเวลาคนตายส่วนที่เป็นน้ํามันก็จะระเหยกลับขึ้นไปเป็นเมฆเห็นไหมแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนเป็นน้ําแล้วร่างกายก็กินเข้ามาใหม่มาเป็นร่างกายใหม่เนี่ยมันเป็นวงจรของน้ำํำธาตุดินก็เหมือนกันธาตุดินตายไปก็กลายเป็นดินไป แล้เดี๋ยวเขาต้นไม้โตขึ้นมาก็ออกมาเป็นผลไม้พอเป็นผลไม้ก็เอามากินกินก็กลายเป็นร่างกายขึ้นมาใหม่เ <Yeah. S 1> คือนี่คือวงจรของธาตุสี่นิ่น้ำนูนไปทำให้เกิดมีต้นไม้ภูเขาใบหญ้ามีมนุษย์มีเดรัจฉาน <Yeah. S 1> ส่วนธาตุรู้ก็มีวงจรของเขาเ <Yeah. S 1> ขาก็ขึ้นขึ้นลงลงร้นอนหรือเย็นตามตามการกระทาของเขา ถ้าเขาทํตามทาทาบุญตามที่พระเจ้าทรงสอน่านรู้ของเขาก็จะเย็นถ้าเขาไม่ทาตามที่พระเจ้าสอนทาตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าสอน่านก็จะร้อนธารู้ก็จะร้อนพวกเราโชคดีที่ได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรารู้จักวิธีทท่านรู้ของเราให้เย็น ให้เย็นอย่างถาวรเลยถ้าไม่มีพระเจ้านี้พวกเราก็จะทำกันแบบสเปะสปะแล้วแต่อารมณ์วันไหนยอยากจะทำบุญก็ทำวันไหนยอยากจะทำบาปก็ทำแล้วแต่อารมณ์วันไหนไม่อยากทำก็ไม่ทำแต่สิ่งที่ต้องแต่สิ่งที่ทาอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากและความอยากนี้มักจะพาให้เราไปทาบาปกันมากกว่าทบุญ เพราะการทำความอยากมันทาให้เราอยากได้ของไม่ใช่อยากให้ของอยากได้ลาบยศจันรเสินอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเมื่ออยากเราไม่สามารถหามาได้โดยที่ไม่ต้องทำบาปมันก็จะต้องไปทำบาปไปเพราะเวลาเกิดความอยากเ้าใจมันร้อนใจมันสัน่นต้องให้มันหยุดสัน่นวิธีที่หยุดสั่นก็คือไปทำตามความอยากแต่เป็นวิธีที่ผิด พราความอยากมันหายไปชั่วคราวเดี๋ยวมันโผล่ขึ้นมาใหม่นน้าแรงกว่าเก่าจากการได้คืึบก็อยากจะได้เป็นศอบได้ครึบก็อยากจะได้เป็นศอกได้ศอกก็อยากจะได้เป็ น, าปนวาสมัยเด็กๆนี้ได้น้อยบาทก็ดีใจนะแล้วต่อมาก็ได้ห้าร้อยก็ยิ่งแล้วต่อมาก็ได้พันอย่างนี้พันยังก็ไม่รู้สึกอะไรยนะแล้วถ้าไม่ได้ร้านต้องสึกเฉยๆแนละ้ว เห็น ไ, ไหมเรื่ความอยากมันพาไปเรื่อยๆถ้าไม่ละมั่นระวังเดี๋ยวมันจะพาเราไปทําบาปพอทําบาปแล้วใจก็จะร้อนขึ้นมานี่คือเรื่องของธาตุทัท้งหกที่ที่เป็นส่วนประกอบของสรรพรสิ่งสร ร, รพรสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเกิดจากธาตุทั้งหกนี้นั่นเองธาตุสี่นินน้าลงไฟธาตรู้ แล้วกาทธาตอากาศเนี่ยนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะสนใจศึกษาและทาความเข้าใจให้ถูกต้องให้รู้ว่าธารู้ของเราจะเย็นหรือจะร้อนก็อยู่การทําตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ทําตามคำสอนถ้าทําตามคำสอนของพระพุทธเจ้าธารู้ของเราจะเย็นจะสงบจะมีความสุข ถาไม่ทาตามที่พระเจ้าสอนเนี่ธาตุรู้ของเราก็จะร้อนบุญสิประการนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องทําทั้งสิบประการบุญบางอย่างทํามสามสี่ข้อที่เป็นบุญที่สําคัญคือบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมต้องฟังธรรมก่อนถึงจะรู้ว่าวิธีทําบุญทําอย่างไรพอฟังธรรมแล้วก็จะรู้ว่าสิบบุญที่ต้องทําเป็นประจําก็คือหนึ่งทาน สองศีลสามภาวนาส่วนบุญข้ออื่นนี้ทำไปตามโอกาสถ้ามีโอกาสทำบุญเมื่อมีผู้ร่วงรับไปเราก็อุทิศบุญไปให้แกบผู้ล่วงรับไปเผื่อเขารอรับบุญนี่อยู่ถ้ามีโอกาสช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยเหลือเขาไปเห็นคนแก่เดินข้ามถนนช่วยพาเดินข้ามถนนไปสมัยก่อนเวลานั่งรเม ถ้ามีผู้หญิงมีเด็กขึ้นมาผู้ชายอยลุกขึ้นยืนทันทีอย่าให้ผู้หญิงให้เด็กนั่งกันอันเนี้เป็นการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้อื่นมีโอกาสก็ทําไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรถ้าเราต้องไปภาวนาก็เอาภาวนาอย่างเดียวก่อนอย่างอื่นเอาเก็บไวท้ทีหลังว่าภาวนานี้สําคัญที่สุดภาวนานี้จะทําให้จิตเย็นที่สุด แล้วก็สาวเป็นจิตที่ถาวรดังนั้นเวลาภาวนานี่ไม่ต้องไปกังวลกับบุญอย่างอื่นทานก็ไม่ต้องกังวลเอาแค่ศีลกับภาวนานี่รักษาศีลไว้ภาวนาไว้ความจริงถ้าไปภาวนานจริงๆทานก็ทําหมดเลยมีเงินทองเท่าไหร่ก็ให้คนอื่นก็ไปเก็บเอาไว้เท่าที่จําเป็นถ้าเป็นนักบวชก็ไม่ต้องเก็บเลยเป็นบวชแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินทอง เราไม่ต้องทําทานอีกต่อไปรักษาศีลรัก็ภาวนาไปจนกว่าจะทําให้จิตสงบเย็นอย่างถ้าววรแล้วค่อยกลับมาทําทานใหม่ทําในรูปแบบใหม่ก็คือทําธรรมทานเอพระพุทธเจ้าหลังจากที่ตัดจารุแล้วก็มาทําทานใหม่แต่ทําแบบธรรมทานไม่ได้ทําวัตถุทานไม่ได้ไปหาเงินหาทองมาทํา ท, ทำทำด้วยธรรมะ มนมสั่งสอนผู้อื่นให้รู้จักธรรมะให้รู้จักบุญให้รู้จักเรื่องของธาตุรู้ว่าจะเย็นจะร้อนนี่เกิดจากอะไรแต่ถ้ามีเงินทองใครถวายมาท่านก็ท่านก็เอาไปทําบุญต่อท่านไม่ก็เก็บเอาไว้ว่าท่านไม่มีประโยชน์อะไรกับท่านใจท่านเย็นแล้ท่านไม่ต้องอาศัยการมีเงินทองไปทําบุญทําทาน แต่เมื่อมันมาก็มันก็เอาไปทําต่อถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปหามาอนี่ก็คือเรื่องของจิตใจที่มีคุณค่ามาหาศาลและมีโทษมหาศาลอยู่ที่การกระทําของจิตใจว่าจะทําบุญหรือทําบาปถ้าทําบุญตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจิตใจก็จะเป็นจิตใจที่มีคุณค่ามาหาศาล ดวงใจของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ใจของพระสาวกอรหันหแต่ละองค์มีคุณค่าขนาดไหนมีคุณค่าทั้งกับตนเองและมีคุณค่ากับผู้อื่นผู้อื่นได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากพระพุทธเจ้าจากพระอนันตสาวกถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเยไม่มีใครจะรู้วิธีที่จะทําทใจให้เย็นให้สงบไปอย่างถาวรได้ก็ <evet. S 1> จะรุ่มรุ่ม น, นอนนอนบ้างเย็นบ้างสลับกันไป ตามวาระโอกาสตามอารมณ์อันนั้นขอให้เราพวกเราเห็นคุณค่าของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและพยายามยึดเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตในการสร้างในการดูแลรักษาจิตใจของเราให้มีแต่ความนุ่มเย็นเป็นสุขไปตลอดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็จะอนุโมทนาให้พรยาถาวาเรวะหาปุราปะริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตจินางเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏทิตังตุงหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปนาหะวะโสยาถามณิโชติ ราโสยะาสพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาธนาสีิตธะนิจังวุทฒาปจายโนจตารุธรรมวาทาติอายุวโนสุขัง ล, าาลามาจากที่ไหนสองคนนี้เคยมาปะครั้งนี้ครั้งที่สอ ง, ท, ง, ท, สองอทำอะไรทำให้มาที่นี่ได้นะก า, าเรเลี้ยงเสาพัทยามีคุณพี่แนะนำมา มีอะไรอยากจะถามไหมสงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปไมยังสงสัยเรื่องนรเรื่องสวรรค์ไหยัง<ม>ที่มันสงสัยกันเพราะไม่มีใครมองเห็นใจไม่เห็นธาตุนู้กันธาตุู้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายแม่มีอะไรจะถามถามนอาจารย์เออิก็เสมมตเคะเป็นส่วนหนึ่งของของจิตผู้รู้หรือเปล่าใช่ก็เป็นส่วนหนึ่ง มันฝังนึกไยมันจะโผล่ขึ้นมาช่วงที่จิตเราสงบทีนเวลานอนหลับนี่บางทีมันก็โผลขึ้นมาถ้าเราตื่นเราจะรับข้อมูลต่างๆทางตาหูจมูกเลี้งกายมันก็เลยมาโกะจิตใต้สำนึกได้จิตใต้สำนึกก็มีอย่างที่เรเรียกว่านิสัยสันดานอันนี้ก็จิตใต้สำนึกไงที่เราชอบอะไรที่เราถนัดอะไรนี่มันจะเป็นจิตใต้สำนึก เราถนัมือขวามือซ um. ้ายนี่ก็มาจากจิตใต้สํานึกชอบสีเขียวสีแดงไม่ชอบสีดําสีขาวก็มาจากจิตใต้สํานึกเนี่ยมันฟังเลกอยู่ในใจเราการัป็นแบบอย่างพอวังจิตเนี่ยหมายความว่จิตมันหมดความรู้สึกจิตที่สงบสงบมีสองลักษณะสงบแบบมีสติก็เป็นสมาธิสงบแบบไม่มีสติก็หลับ เวลาหลับนี่จิตมันพักชั่วคราวไม่คิดปรุงแต่งมันถึงหลับได้ที่นอนไม่หลับก็เพราะคิดอยู่เพ่าะนั่นคิดมากก็นอนไม่หลับพอหยุดคิดมันก็หลับแตมันไม่มีสติมันก็เรียกว่าหลับแต่ถ้ามีสมาถ้ามีสติมันจะรู้ตัวก็เรียกว่าสมาธิรู้ว่าจิตสงบแต่ตัวรู้ไม่หลับตัวรู้ไม่หายไปเพราะมีสติดึงมาไว้แต่ถ้าเวลาหลับนี่ถ้าไม่มีสตินมันก็จะหลับ ตัวรู้ก็จะหายไปื้าวอรหันนี่เวลาหลับท่านก็มีสติตลอดท่านก็มีแต่ท่านก็ท่านก็ปล่อยพักสติได้เหมือนกันท่านก็ถึงจะหลับได้ถ้าไม่พักสติก็หลับไม่ได้มากมายกแล้ ว, ลวไม่อยู่หรือ่าไม่อยู่ค่ะโอ้ดีนะคนนี้ไม่ต้องทำงานนี่นอยู่เหมือนธรรมดาได้ไม่ต้องแย่งที่พักกับเขา ธรรมดาที่พักว่างก็ประอโอากาสคราวที่แล้วพี่กลับจากหรือเวานกลับจากพทิทายนะคะก็ไปฟังเพศอยู่แล้วก็มันก็ยังได้ยินเสียงอยู่นะคะก็ช่างมันเลยได้ยินครับลูกแล้วก็มันมั น, ม, นมันเหมือนจะเงียบส็บเรียบไปก็ได้ยินเสียงกันได้พอช่างจะเริ่มรูเรเรเ้เรื่องบ้างรู้เรื่องนั้นก็เจ็บเจ็บดึงให้รู้ให้รู้เรื่องช้าๆนะคะ แล้วจิตมันกับเพื่อมมันเหมือนเหมือนเครื่องดื่มกับหนูมาค่ะ เ, เราไม่มีสติกุมมันอังนั้นยังควรที่จะอยู่กับเสียงตลอดไม่ไมลมสูญจะปล่อยให้มันให้อยู่ให้อยู่กับลมนี่อยู่กับพุโทโธเลยอย่าไปตอนนั้นฟังเทศอยู่ไหมอ๋อฟังเทศก็ให้อยู่ที่ฟังเทศให้อยู่ที่ฟังเทศอ่าอย่าไปสนใจกันเรื่องอื่นให้อยู่กับเรื่องเดียวอถ้าฟังเทศก็อยู่กับเรื่องการฟังเทศ ส่นอะไรจะมาแท้ก็อย่าไปสนใจมันแสดงว่าเราปรับขึ้นยังไม่ตรงมันขึ้นวิทยุถ้ามันตรงสถานีมันจะไม่มีขึ้นแทกเราต้องปรับให้มันตรงให้อยู่กับเสียงธรรมอย่างเดียวต่อไปถ้าอยู่กับเสียงธรรมขึ้นแท้ก็จะเข้ามาไม่ได้ถึงแม้จะเป็นขึ้นสงบเงียบเียเรียบๆก็ไม่ไม่เอาเหมือนกันอถ้ามันสงบเรียบๆก็เรื่องของมันไงเราให้เราถ้าเราฟังเทศเราก็ที่มันสงบเงียบๆก็เพราะว่าเราฟังเทศมันนึงสงบ ถ้าเราไม่ฟังเทศมันก็จะไม่สงบนะครับมันเป็นพราะเพรยัไปดึงขึ้นมาแล้วมันก็เลยกระเพือมเพรเพรายังไม่เคยรู้ไม่เคยเจอสถานะแบบนี้นะคะมันก็มันมันนึกว่าตัวกับเคพื่อมตัวมันไม่ได้กับเคพื่อมแต่เป็นจิตที่มันมันขึ้นมาเพราะว่าเรามีสติหรือไม่มีสติถ้ามีสติมันก็จะนิ่งถ้าไม่มีสติมันก็จะมีอะไรขึ้นโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อย อั้นมันมีสติถ้าต้องการให้มันนิ่งก็ให้ ม, มีสติอยู่เข้าใจแล้วยังมีอะไรไหมจิตใต้สำนึกนี่เราเราแก้ได้เราเปลี่ยนได้เราชอบอะไรเรามาเปลี่ยนให้มันไม่ชอบก็ได้ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราชอบมันไม่ดีเราก็พยายามฝืนมัน เป็นคนชอบสูบบุหรี่ถ้าเรารู้ว่าไม่ดีทุกครั้งที่จะสูบบุรีก็อยากไปสูบเมืนเดีวต่อไปความชอบสูบบุหรี่ก็จะหายไปนท่านอาจารย์ท่านกลยู่วคนที่แก่มากๆ่กาสกว่าไปแล้ว น, นะครับจะไม่มีไม่ไม่ไ ม, ไม่สามารถที่จะโตสตอบหรืทำแต่ว่าเป็นปกตินี้นะคะแต่ว่าพอจะทำงานเนี่ยคิดแด้งจะออกมาทำงานดี น, ะนใช่ไหมคะ ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ไม่สามารถสั่งให้ร่างกายร่างกายจะไม่สามารถรับคําสั่งได้พราร่างกายมันหมดสมรรถภาพมันแก่แต่ถ้าบางทีท่านคิดอะไรอยู่แล้วตอสอสาวเนี้ยท่านก็จะออกมาแบบเนี้ยคุณแม่จะออกมาตอนได้ได้อาจจะเป็นคนที่รับนึกชาติได้รับนึกไปถึงกี่ชาติก่อนก็เ ล, ลึกได้มันก็เป็นจิตใต้สํานึกนน อ, อย่งเงี้ย่ที่ว่าเรามีพลังที่จะดึงมันออกมาหรือเปล่า คือมันมีทั้งดีและเลวมันออกมาได้ ห, หมดแล้วถ้าเราฉลาดเราก็จะไม่มีอาการอะไรก็รู้ว่าดีก็ดีเลวก็เลวเป็นเหมือนดูภาพยนตร์นั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะหวั่นไหวกับสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเราฉลาดก็รู้ว่ามันก็เป็นแค่ความจําเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตก็รู้ไปเท่านั้นเอง รู้แล้วก็มาสอนใจเตือนใจว่าอ่ะอันนี้ไม่ดีนะต่อไปเราอยากไปทํามันเพราะมันเหมือนดูภาพยนตร์่สิ่งที่จิจตเรานี่เหมือนจอภาพยนตร์แล้วสิ่งที่เราเห็นที่เรานึกถึงคิดถึงนี่ก็เป็นเหมือนเหมือนภาพยนตร์ที่เราดูกันเนียเราก็ดูไปทั้านั้นเองมันอันเดียวก็ผ่านไปใช่ไหม โผล่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยมันก็หายไปโผล่ขึ้นมาแล้วก็หายไปถ้าเราไม่ไม่มีไปมีอะไรกับมันไม่ไปตื่นเต้นตกใจกับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราไปตื่นเต้นตกใจเราก็จะกังวลและจะหาวิธีห้ามมันไม่ให้เกิดขึ้นมาแล้วแสดงว่าเราไม่เข้าใจว่าเราห้ามมันไม่ได้มันเหมือนกลับไปเข้าโรงภาพยนตร์แล้วไปสั่งให้เขาฉายเรื่องนั้นเรื่องนี้แทนเรื่องนี้ไม่ชอบให้ก็เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนไม่ได้เข้าไปในโรงภาพยนตร์แล้วก็ต้องดูภาพยนตร์ที่เขาฉายเราดู สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเรามันก็เป็นเหมือนภา พ, พยนตร์เราเคยฉายเราเคยไปเก็บภาพเหล่านี้มาแล้วมันก็อยู่ในใจเราพอเวลามันอยากจะฉายเราดูมันก็ฉายเราดูเราก็ดูไปเท่านั้นเองไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจไม่ต้องไปดีใจเสียใจเพราะมันนี่มันแค่ภาพเท่า น, นั้นเองแต่ใจเรามันชอบเสพพวกนี้พอเสพภาพที่ดีก็สุข พอไปใส่ภาพที่ไม่ดีก็ทุกข์เพราะความรักชังมีในจิตถ้าไม่มีความรักชังอยู่ในจิตแล้วก็จะเฉยมไม่ดีใจไม่เสียใจรู้ว่าเป็นภาพตั้นเอรู้เป็นภา พ, พยนตร์นี้ดังนั้นภาวนาต้องฉลาดต้องเข้าใจวนะ่าอะไรที่เกิดขึ้นในจิตนี้อย่าไปตื่นเต้นตกใจให้ดูเฉยๆรู้ว่ามันมาแล้วก็ไปเหมือนดูภา พ, พยนตร์ ถ้าจะเอามาเป็นประโยชน์ก็พิจารณาด้วยปัญญาว่าเอามาใช้ประโยชน์ไรายได้หรือเปล่ามาสั่งสอนใจเราได้หรือเปล่าถ้าสั่งสอนได้ก็เอามาใช่ว่าอ๋อเราทำไม่ดีถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นมาถ้าไม่อยากให้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาก็เราอย่าไปทำไม่ดีต่อไปอะไรทานองนั้นแต่ถ้าเอามาใช้ด้วยปัญญาไม่เป็นก็ช่างหัวมันอย่าไปคิดถึงมัน รู้ว่ามันเกิดแล้วดับไปก็พอมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นห้ามันไม่ได้สั่งมันไม่ได้มันจะโผล่ขึ้นมาก็โผล่ขึ้นมาอยากให้มันโผล่ขึ้นมาถ้าไม่โผล่ขึ้นมามันก็ไม่โผล่ขึ้นมาถ้าไปอยากแล้วมันไม่โผล่ขึ้นมาก็จะทุกข์อีกถ้ามันโผล่ขึ้นมาแล้วอยากให้มันดับถ้ามันไม่ดับก็ทุกข์อีกอยากไปอยากให้รู้เฉยๆแล้วยาใจจะไม่หวั่นไหวใจจะไม่เดือดร้อน ทางบ้านมีคำถามมันต่างชาติมีไหอหายหมดเลยนาชาลังชาลันออลิเวียวโทนี้เดี๋ยวกล่าวชื่อเดี๋ยวคงจะส่งข้อความเข้ า, ข า, ขามา <S <S How you guys what happened to you คำถามฝากถามค่ะเพื่อนหนูทำสินค้าคอลเลกชันใหม่แต่คราวนี้ไม่ได้ส่งมาให้หนูเหมือนทุกครั้ง หนูรู้สึกน้อยใจที่เขาลืมความสำคัญแต่พอรู้ว่ากำลังน้อยใจหนูก็สอนตัวเองทันทีว่าไม่เป็นใจแล้วก็เคยลืมความสำคัญของใครมาหลายคนสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้แหละเป็นตัวบอกความรู้สึกของคนที่เราลืมความสำคัญของเขาคำถามข้อที่หนึ่งค่ะหนูคิดแบบนี้ถูกไหมคะก็ถูกทางโลกอาจจะถูกทางธรรมต้องคิดว่าที่เราน้อยใจเพราะเราอยากให้เขาเห็นความสาคัญของเรา ก็เราเลยทุกถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาเห็นความสำคัญของเราเราก็จะไม่ทุกข์อันนี้เห็นต้องคิดแบบทรมว่าความทุกข์ของเราความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากของเราอยากให้เขาเห็นความสำคัญอยากให้เขาให้ให้ความสำคัญกับเราเขาอาจจะลืมหรือเขาอาจจะตั้งใจก็แล้วแต่เราก็ไม่ให้ความสำคัญหรือเราไปคิดว่าเขาไม่ให้ความสาคัญเราก็เสียใจ ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นก็ได้เขาอาจจะลืมหรืออาจจ ะ, ะเห็นว่าไม่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะกับเราเขาก็เลยไม่เอามาให้เราก็ได้เขาอาจจะเห็นว่าคนเราเนียงระดับเราต้องดีกว่านี้ของเร็วเราคิดไปในทางบวกก็ได้คิดแล้วเราก็จะไม่เสียใจที่เสียใจเพราะเราไปอยากให้เขาเห็นความสําคัญของเราคำถามจากคุณแอนค่ะ ถ้าตอนเราสวดวนอยู่แล้วจิตเราฟุงา้งซ่านเราควรทํายังไงดีคะก็ต้องใช้สติก็กสวดต่อไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราฟุงา้งซ่านอย่าอย่าสวดไปคิดไปต้องสวดอย่างเดียวถ้ามันคิดไปด้วยก็ต้องสวดให้มันช้าลงก็ได้หรือให้มันเร็วขึ้นก็ได้อย่างได้อย่างหนึ่งเพื่อจะทําให้เราอยู่กับบทสวดวนเพียงอย่างเดียว ถ้ามันยังแทรกก็ลองช้าๆดูอิติปิสสภักขวาอารหังสัมมาสัมพุโทโธไปนะหรือมันก็สวดเร็วๆไปเลยอิติปิสสภักขวาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชารเพื่อไม่ให้มันเข้ามาแทรกคำถามจากคุณพัทละฟงค่ะปัจจุบันมีแนวทางการสอนปฏิบัติสมถมะและวิปัสสนามากมายหลากหลายแตกต่างกันออกไปถ้าผมเป็นคนไม่มีความรู้อะไรเลย ควรปฏิบัติแบบไหนจึงจะถูกต้องและตรงตามหลักพระพุทธศาสนามากที่สุดครับก็ต้องเรียนจากพระพุทธเจ้าใช่ไมไปเรียนไปเรียนจากคนอื่นมันก็ไม่รู้ว่าเขาถูกหรือผิดอย่างไรต้องไปเรียนจากพระสูตรต่างๆเนี่ยพระสูตรสําคัญก็มีแค่สองสามสูยรไปเรียนซะธรรมาจักรกับปวัฒนสูตรสมาสติปฐานสูตรมงคลเราสูตรเนี่ยสามสูตรนี้ก็ จะได้รู้หลักแนวทางของการปฏิบัติแล้วคำถามจากคุณกนิ t ฐาค่ะหากได้ประสงค์จะไปเกิดเป็นลูกหรือเป็นญาติจับใครๆอีกต้องวางผิดอย่างไรคะก็ตัดกิเลสให้หมดมนจะได้ไม่ไปเกิดตัดความโลภตัดความอยา ก, กต่างๆให้หมดไปจากใจมันก็จะไม่ไปเกิดถ้าไปเกิดก็เลือกไม่ได้เหมือนกับเราไปหาที่จอดรถนี่เลือกที่จอดรถไม่ได้หรอกเวลาไปศูนย์การค้าหรือไปที่ไหน ขับรถก็ต้องขับวนไปวนมาพอมีช่องไหนก็เข้าไปเสียเวลาจะมาเกิดก็รอคนไหนเขาตั้งท้องก็เข้าไปเสียคำถามจากคุณพัทร ะ, ะ, ะโพค่ะตัวรู้กับผู้รู้คืออะไรเหมือนหรือต่างกันครับก็ตัวที่เนี่ยกําลังรู้อะไรอยู่เนี่ยก็คือตัวจิตตัวใจเรียกว่าตัวรู้เรียกว่าผู้รู้ตัวเดียวกัน แล้วจำเป็นต่อการปฏิบัติหรือไม่ทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับอ่มันก็เป็นตัวเราเนี่ยตัวเราก็มาจากตัวรู้เนี่ยตัวรู้นี้ก็จะทำให้เราสุขหรือให้เราทุกข์อยู่ที่การกระทำของเราถ้าเราอยากจะสุขเราก็ต้องทำให้ตัวรู้นี้เย็นให้ตัวรู้นี้สงบถ้า ถ้าอยากจะทําให้เราทุกข์ก็ทำทำให้ตัวรู้นี่ร้อนเช่นทําบาปก็จะทําให้ตัวรู้นี่ร้อนถ้าทําบุญก็จะทําให้ตัวรู้นี่เย็นคําถามจากคุณดอกชบาค่ะหลับตาแล้วเพ่งที่ลูกตาตัวเองเกี่ยส่งออกนอกกายหรือในกายคะไม่รู้ควาหมายหลับตาแล้วจะไปไปเห็นเห็นลูกตาของตัวเองได้ไง ถ้าเห็นลูกตาก็นองมองในกระจกเลยเลื่นตาแล้วก็มองในกระจกมันก็ถึงจะเห็นลูกตาถ้าหลับตาแล้วนึกเอ่อถ้าหลับตาแล้วนึกถึงลูกตาเนี่ยออันนี้ก็จิตก็ยังก็ยังอยู่ข้างในอยู่ถ้าหลับตามันก็ออกข้างนอกไม่ได้ข้อที่สองค่ะเพ่งลูกตาตัวเองถูกต้องหรือเปล่าคะพอเพ่งแล้วใจไม่ฟุ้งซ่านใจสงบมากค่ะอ้าว แต่สงบก็เพ่งไปสิแต่เพ่งแต่ว่าพระบุตรจามไม่ได้สอนให้เพ่งนูกตาใช่ไหมแต่จะเพ่งก็ไม่มีใครห้ามถ้าเพ่งแล้วใจสงบก็เพ่งไปคำถามจากคุณประกรณ์มิตค่ะเข้าสมาธิได้จิตสงบรู้สึกมีความสุขอิ่มแล้วกําหนดจิตไปสถานที่ใดที่เราอยากได้ไหมคะพระอาจารย์อไปทําไมหลังในเมื่อไปไหนมันก็สู้ความสงบไม่ได้ ถ้าใจสงบแล้วมันก็จะไม่อยากจะไปไหนที่มันไปไหนเพราะใจมันไม่สงบอย๋ยวเราต้องทําให้ใจสงบแล้วเราก็จะไม่อยากไปไหนคําถามจากคุณเจษณีค่ะลูกชอบทำทานแต่ชอบโดนขัดว่าทําบุญโดยที่ตัวเองยังไม่มีมากระวังจะบาสนะลูกทำแล้วไม่เดือดร้อนใครแล้วลูกจะบาตจริงไหมคะก็เราไม่เดือดร้อนแล้วมันจะบาตได้ไง บาปเกิดจากการไปทำร้ายผู้อื่น เ, เช่นไปฆ่าผู้อื่นไปรับทรัพย์ของผู้อื่นไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปวดโกโหกหลอกลวงผู้อื่นทั้ง่ีเรียกว่าเป็นการทำบาปคำถามจากคุณกิตนาค่ะขอกลาบเรียนถามเรื่องนิวรณ์ห้าค่ะนิวรณ์ห้ า, าก็ลองไปเปิด Google ดูนะขี้เกียจ อธิบายเราไปค้นหาเองว่าของนี้มันค้นหาได้คำถามจากคุณยางค่ะอสุรกายในทางพุตหมายถึงสัตว์จำพวกใดคะก็ดวงวิญญาณที่ที่มีแต่ความหวาดกลัวพวกที่มีความหวาดกลัวนี้เขาเรียกว่าพวกอสุรกายกลัวมดกลัวแมลงกลัวร้อนกลัวหนาวกลัวอะไรต่างจิตป่าถะกลัวยากกลัวจรกลัวขโมย กลัวแฟนทิ้งกลัวอะไรทิ้งพวกที่มีความกลัวทั้งหลายเนี่ยก็เรียพวกกระสุนร่กายส่วนพวกเปรตก็เป็นแต่พวกที่มีแต่ความโลภ อ, อยากได้นู่นอยากได้นี่ตลอดเวลาได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มจักพอตรงนี้ก็จะเป็นพวกเปรกพวกนรกก็เป็นพวกที่โกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมตาต่อตาฟันต่อฟัน ไมยาย้ำไม่ได้อะไรทำนองนี้คาถามจากคุณนงล่ะค่ะลูกเคยได้ยินว่าบวชจิตหมายถึงอย่างไรคะบวชจิตก็คือนี่แหละก็โดยที่ไม่ต้องบวชทางร่างกายไม่ต้องไปกนผมไม่ต้องไปห่มผ้าเหลืองแล้วห่มขาวบวชจิตก็คือรักษาศีลที่จิตรักษาศีล น, นั่งสมาธิก็คือการบวชจิต การบวชมันก็ต้องบวชจิตเนี่ยเพียงแต่ว่าเขาก็มีขั้นตอนแล้วก่อนจะบวชจิตก็ต้องบวชร่างกายก่อนเอจะได้จะได้มีที่ที่บวชที่จะได้บวชจิตได้เพราะถ้าไม่บวชร่างกายอยู่กับคนอื่นอยู่ที่บ้านเดี๋ยวก็บวชจิตไม่ได้บางทีบวชจิตเลยต้องไปบวชร่างกายก่อนจะได้ไปอยู่วัดไปอยู่ที่เหมาะกับการบวชจิตต่อไปแต่ถ้าเราอยู่คนเดียว ไม่ต้องไปยุ่งกับใครเราก็บวชจิตเลยก็ได้อย่างสมัยที่เราปฏิบัติครั้งแรกเราก็บวชจิตเราไม่ได้ไปอยู่วัดเราอยู่บ้านอยู่คนเดียวเราก็ไม่ได้โกนหัวนุ่งขาวืออะไรทั้งนั้นเราก็ใสก่กางเกงยีนก็ได้ใส่เสื้อเสื้อยืดก็ได้แต่ใจมันบวชใจมีเสียงใจมีสติมีสมาธินี่างนี้นก็บวชจิตแต่บวชจิต มันก็มันไม่สะดวกว่าบางทีมันร่างกายมันมีภาระต้องเลี้ตองดูถ้ามาบวชกายก่อนมันก็จะมีคนมาดูแลร่างกายให้เราเออพอมาบวชเป็นพระก็มีคนใส่บาตรให้กินมีสร้างคนสร้างกุฏิให้อยูออ่มีที่อยู่อาศัยมียามีอะไรก็จะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระกับร่างกายก็จะได้บวชจิตได้อย่างเต็มร้อยออต้องบวชทางร่างกายก่อน แต่ถ้ามีมีคนรับใช้เรามีคนเลี้ยงดูเราสนับสนุนเราไม่ต้องมาบวชทางกายก็ได้เช่นอยู่บ้านอยู่คนเดียวแล้วมีคนทำข้าวเอาอาหารมาเลี้ยงทุกวันเราไม่ต้องมากมังวลกับเรื่องอาหารการกินเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่างเราก็บวชจิตแล้วก็ปฏิบัติธรรมของเราได้ทั้งวันอันนี้ก็บวชจิตไปก็ได้คาถามจากคุณวรวันค่ะ การที่นักปฏิบัติจะมีมิตรแต่ไม่คุกคีกันต้องปฏิบัติอย่างไรคะอ๋อช่วงปฏิบัตินี่เราเหมือนช่วงที่เราไปเรียนหนังสือหรือช่วงที่เราไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลช่วงนั้นไม่ใช่เป็นช่วงเวลาสร้างมิตรช่วงเวลาสร้างมิตรรอให้เราปฏิบัติให้เสร็จก่อนแล้วเรามาสร้างมิตรเนี่ยเพราะพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่บําเพ็ญนี้ท่านไม่ได้มีมิตรมีก็น้อยมีแต่เฉพาะคนใกล้ชิดคนติดตาม แต่พอหลังจากที่ท่านบารลุแล้วท่านก็มาสั่งสอนคนอื่นก็มีมิตรเยอะแยะไปหมดมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นแสนเป็นล้านตอนตอน้นตอนที่เรากําลังปฏิบัตินี้ไม่ใช่เป็นเวลาสร้างมิตรเป็นเวลาสร้างธรรมะพอมีธรรมะแล้วเอาธรรมะมาแจกทีนี้ก็จะมีมิตรเยอะแยะไปหมดเห็นไหมเนี่ยมีมิตรติดตามต้องแสนกว่าแล้วเนี่ย แต่ว่าราปฏิบัติไม่มีใครรู้จักเราสักคนแต่ตอนนั้นไม่สนใจที่จะสร้างมิตรตอนนั้นสนใจจะสร้างธรรมะอย่างเดียวยงั้นต้องรู้จักขั้นตอนรู้จักแยกแยะอย่าเอามาปนกันสับสนกันเวลาปฏิบัตินี้ไม่ต้องการคุก ค, คีไม่ต้องการจะยุ่งเกี่ยวกับใครเพราะมันจะเป็นนิวรณ์จะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นก่อนที่ต้องการสร้างธรรมะนี่ต้องอยู่คนเดียว ต้องไปเปรีกวิเวกแพอได้ธรรมะและ้วทีนี้ก็มาเกี่ยวข้องกับคนอื่นได้เกี่ยวเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะจิตนี้ไม่มีอไม่มีอะไรที่จะมาทําให้จิตเสื่อมทาให้จิตเสียหายได้แนละ้วแต่ถ้าจิตยังเสื่อมได้ยังเสียหายได้ถ้าไปเกี่ยวข้องกับคนเดี๋ยวก็ยิ่งไปกันใหญ่เดี๋ยวยิ่งเสียหายใหญ่คบกับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวเกิดทะเลาะ ก, กันขึ้นมาโกรธกันขึ้นมาเกลียดกันขึ้นมา แล้วก็ จ, จะมีการทำร้ายกันก็ได้นแต่ถ้าจิตไม่มีอะไรแล้วนี่จะไปเกี่ยวข้องเกิดใครเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเรื่องของมิตรนี้เป็นเรื่องที่ตามมาทีหลังเรื่องสิ่งที่ต้องมาก่อนก็คือทำต้องได้ธรรมก่อนได้ธรรมะก่อนได้บรรลุก่อนพอบรรลุแล้วเทนี้จะไปมีเม็ดเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีก็ได้ พระอรหันต์บางรูปท่านก็ไม่อยากจะมีมิตรท่านก็ไปอยู่ของท่านคนเดียวในป่าไม่มีใครรู้ว่าท่านเป็นพระอหรหันต์ก็มีเพราะท่านเบื่อเบื่อกับมิตรเพราะมิตรทั้งหลายก็เป็นมิตรมิตรปลอมทั้งนั้นมิตรแท้าหายากท่านก็เลยขี้เกียจยุ่งกับมนุษย์กี้เหม็นทั้งหลายตอนหน้าก็ว่าตอนยากก็ชมว่าดีแล้วหนังก็ดา่า เวลาชอบก็แหมพูดดีเวลาเกลดขึ้นมาก็ด่าวมิตรภาพของมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้มนุษย์ที่มีกิเลสมีรักมีชังพระอรหันต์ท่านไม่หิวกับอะไรแล้วท่านอิ่มของท่านพวกที่ยังหิวยังต้องการมิจฉาศนะว่ายังมีกิเลส อ, อยู่คำถามจากคุณธอมค่ะตามที่พระอาจารย์บอกว่าความอยากมีห้าอย่าง ถ้าละได้สองอย่างเป็นพระโสดาบันถ้าละได้หมดเป็นพระอรหันต์อยากให้พระอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมว่าความอยากนั้นมีอะไรบ้างเจ้าคะก็สัมยोชนิย์ไงเป็นความอยากสิบประการสัมยชนิบนี้มันก็ออกมาจากความอยากแต่เราท่านไม่ได้แสดงว่าเป็นความอยากเช่นสักกายทิฏฐินี่ท่านเห็นว่าเป็นความหลง โง่ที่เห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรามันก็เลยทําให้เราเกิดความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็เลยทําให้เราเ อ, อมีความอยากต้องกําจัดความอยากอันนี้วเวลากําจัดความกําจัดความนั่งตัวกลัวตายได้เราก็จะเราก็จะละสังโยชน์อีกสองตัวคือความหโงที่ความไม่ไม่แน่ใจว่าพระพุธพะทธธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่ เราจะรู้ว่ามีจริงแน่เพราะว่าเราใช้พระธรรมคาสอนพระเจ้านี้มากำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจที่เกิดจากความอยากของเราเราก็จไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วการประกอบพิธีกรรมต่างๆเพื่อเพื่อกำจัดความทุกข์เราก็จะไม่ทำเวลาไม่สบายใจเมื่อก่อนนี้อาจจะไปหาหมอดูหรืออาจจะไปทำนู่นทำนี่ก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ได้ ดับได้ช่วครัง้งชั่วคราวปลาเดียวปลาเดา้าเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่วิธีจะดับความทุกข์อย่างแท้จริงก็ต้องมาดับที่ความอยากเนยผู้ที่เป็นพระสุนามันผู้ที่ได้บรรลุทําขั้นที่หนึ่งนี้จะเห็นว่าเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากนี่มันเรียกว่าเป็นสังโยชน์แต่เราก็พูดว่าเป็นความอยาก มันก็มีความอยากเกี่ยวข้องอยู่แต่ท่านแสดงในลักษณะว่าสังโยชน์ก็เนี่ยลองไปเปิดสังโยชน์ดูก็แล้วกันที่เกี่ยวอธิบายคำถามจากคุณอรุณศีค่ะเสียใจน้อยใจทำอย่างไรจะหยุดได้เจ้าคะหยุดความอยากสิอย่าไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ไม่เสียใจใช่ไมที่เสียใจเพราะอยากแล้วไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่อยากสิมันจะไปเสียใจกับอะไร อย่าไปอยากอย่าไปอยากได้ราบยศเสรเสรอย่าไปอยากไ ด, ได้นู่นได้นี่พออยากว่าไม่ได้ก็เสียใจคำถามจากคุณจีรศักดิ์ค่ะในการทำสมาธิในขั้นสมาธิซึ่งจะซึ่งจะต้องใช้ความเพียรและความสม่ำเสมอในการทำเป็นประจำทุกวันซึ่งกับผมอยากทราบว่าจะทราบได้อย่างไรว่าสมาธิเพียงพอแล้วจะสังเกตได้จากอะไรครับ ก็เจ็ดรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้จิตเป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงคำถามจะคุณมณีโทษค่ะการที่ลูกได้เห็นและและรู้ความรู้สึกของพระอาหารหันต์ในสมาธิคืออะไรลูกจะได้เห็นหรือรู้อีกไหมคะก็ไม่แน่แล้วแต่มันก็เป็นแค่ความรู้สึกกันไม่ใช่เป็นความจริง คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะมีปัญหาว่าจิตไม่รวมนานเป็นปีแล้วแต่นั่งได้นิ่งสงบสองถึงสามชั่วโมงต้องแก้อย่างไรเจ้าคะก็ต้องสร้างสติให้มากขึ้นนะต้องมันฝึกสติอยู่ตลอดเวลาทั้งในสีริยาบทตั้งแต่ตื่นจนหลับค่ะคำถามจากคุณศีรวาดค่ะขอพระ อ, อาจารย์ทบทวนเรื่องภาอที่ห้าและหกอีกครั้งค่ะ ธาตุรู้เนก็คือวิญญาณธาตุตัวที่มาสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆสั่งให้เดินสั่งให้ยืนสั่งให้นั่งสั่งให้นอนสั่งให้ไปนู่นมานี่คือธาตุรู้เป็นผู้สั่งสั่งผ่านทางสังขารคือความคิดปรุงแต่งคิดว่าเดี๋ยวจะไปหาคนนั้นหาคนนี้ก็สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปหาคนนั้นหาคนนี้นี่คือธาตุรู้เป็นผู้สั่งและเป็นผู้รับรู้เวลามีรูปมา สัมผัสกับตาถ้ารู้กําลังผู้รู้รูปร่างกายไม่รู้ว่ากําลังเห็นรูปอะไรร่างกายเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเขาก็ถ่ายเขาก็รับภาพมาแต่เขาไม่รู้ว่าเขารับภาพอะไรมาคนที่ถ่ายรูปนั้นถึงจะรู้ว่าเป็นภาพดีหรือไม่ดีภาพชัดหรือไม่ชัดเนี่ยผู้รู้ก็คือเนี่ยผู้ถ่ายรูปผู้รับรูปรับรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ แล้วก็ไปหลงไปเมามันกับมันไปรักไปชอบมันไปติดมันกลายเป็นคนติดยาเสพติดไปเวลาไม่ได้เสพก็ทุกข์ทรมานใจนี่คือธาตุรู้ส่วนอาวากาศสะธาตุก็คือสถานที่ที่ว่างต่างๆนี่ที่ร่างกายเราขับไปมันไปไหนมาไหนได้เพราะมีอาวากาศชธาตุมีพื้นที่ถ้าไม่มีพื้นที่ก็เหมือนกับต้องอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ คำถามจากคุณวันสุขค่ะความคิดหรือความเชื่อในความสําคัญของตัวเรานี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในสักการะทิฏฐิที่ยังมีตัวมี ต, มตนอันนี้เข้าใจถูกต้องไหมคะถ้าคิ ด, ถ, คดถ้าคิดไม่ตรงกับความจริงก็เป็นสักการะทิฏฐิถ้าคิดตรงกับความเป็นจริงก็เป็นสัมมาทิฏฐิคําถามจากคุณสายลีนีค่ะการเริ่มต้นการนั่งสมาธิควรปฏิบัติอย่างไรคะก็ต้องมีสติก่อนนะต้องฝึกสติ ตึงขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปหรือเฝ้าดูร่รางกายทุ ก, กิริยาบทของการเคลื่อนไหวของการกระทําไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นกําลังแปลงฟันก็ให้อยู่กับการแปลงฟันกําลังล้างหน้าก็ให้อยู่การล้างหน้าไม่ใช่ล้างหน้าไปก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องๆๆนี้อย่างนี้ไม่มีสติถ้าไม่มีสติเวลามานั่งใจให้มันอยู่กับลมหายใจมันก็จะไม่อยู่มันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่งไปก็ไม่สงบไม่ได้ผล ถ้าอยากจะนั่งแล้วให้สงบได้ผลต้องฝึกสติก่อนต้องมีสติควบคุมจิตให้อยู่กับเรื่องเดียวให้ได้แล้วพอมานั่งได้มันอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวมันก็ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วคำถามจาคุณจินดาค่ะตอนปฏิบัติธรรมถือศีลแปดที่วัดได้ทานไอศครีมที่มีชิ้นเมล็ดอัลมอนด์เคลือบในเวลาบ่ายสี่โมงผิดศีลไหมคะ ถ้าผิดควรทาอย่างไรคะก็อย่าทําต่อไปบางทีเราไม่รู้เนี่ก็เมืร่รู้เมื่อผิดไปแล้งก็ช่างหัวมันเอามาเป็นบทเรียนสอนเราว่าต่อไปนี้เรากินไม่ได้ไอส ก, กีนก็กินไม่ได้เ<ม>พราะถ้ามันมีนมนี่แล้วแต่ว่าเด็กอะถ้าเป็นวัดมหานิกายเขาก็นมยังกินได้อยู่ถ้าเป็นวัดธรรมยุทธ์นี้เขาว่านมกินไม่ได้นมเป็นอาหารแต่วัดมหานิกายเขาว่าไม่เป็นอาหารเป็นเครื่องดื่ม เป็นเหมือนน้ำปานะเป็นเหมือนน้ำผลไม้เป็นของเหลวของเหลวถ้าไม่เคี้ยวถือว่ากินได้ทั้งนั้นถื <c oughs> อว่าไม่ดีนครับถ้ามีนมแล้วแต่ว่าแ้ววัดธรรมยตนต์นี่ถืว่ามีนมเป็นอาหารอโอวัลตินอะไรพวกนี้อะไรที่มีส่วนผสมของนมนี่หรือมีส่วนผสมของข้าวโอวัลตินนี่มันมีผสมข้าวม็ออะไรเข้าไปด้วย พวกนี้ก็ถือว่าแต่ถ้าเป็นโกโก้ล้วนๆนี่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นอาหารผมโกโก้นี่มันถือว่าเป็นเหมือนผงชาผงกาแฟเป็นถือว่าเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งที่กินรักษาโรคภัยแค่เจ็บก็กินได้ในตอนบ่ายอย่างพวกช็อกโกแลตที่มีแต่น้ําตาลกับผงโกโก้นี่ก็กินได้แต่ถ้ามีมีนมผสมมีมีม ถั่วมีอะไรผสมอยู่นี่ก็กินไม่ได้เพราะว่ามันเป็นส่วนของอาหารมีส่วนของอาหารผสมอยู่คําถามจากคุณนุชนาฏค่ะเหตุใด ย, ยิ่งลูกปฏิบัติมากเท่าไหร่ลูกจึงอยากติบบิววเอยู่คนเดียวมากที่สุดเจ้าคะ่ะและลูกไม่อยากพบปะใครเลยเจ้าคะ่ะก็เพราะว่ามันสุกไงยิ่งสุกยิ่งสงบก็ยิ่งสุขยิ่งไม่อยากจะยุ่งกับใครเพราะยุ่งแล้วมันไม่สุข ยุ่งเรายงามันวุ่นวายคำถามจากคุณปวาริษาค่ะทำไมเวลาหนูนั่งสมาธิภาวนาพุโทโธแล้วใจไม่สงบเจ้าคะแต่ภาวนาว่านิพานางปละมังสุขขังแลจ้จิตจะสงบว่างเปล่าแล้วหนูภาวนาอย่างนี้ถูกไหมเจ้าคะได้อันไหนที่ทำให้เราสงบเราก็ใช่อย่างนั้นไปคาถามจากคุณวะไลค่ะหลักของการภาวนา เพียรภาวนาให้ต่อเนื่องจนจิตอยู่กับความว่างรักษาความว่างหยุดการปรุงแต่งหลังจากนั้นพอจิตมีกำลังก็พิจารณากดใยรักใช่ไหมคะอ่าพิจารณาเพื่อที่จะรักษาจิตให้สงบต่อไปเพราะถ้าไม่มีใตรักเดี๋ยวเกิดความอยากก็จะไปทำตามความอยากแล้วจิตก็ต้องไ่วุ่นวายกับการไปทาตามความอยากความสงบก็จะหายไปถ้ารู้ทันว่าเป็น เป็นทุกข์เป็นเรื่องของความวุ่นวายใจก็หยุดความอยากเสียไม่ไม่ทำตามความอยากเสียจิตก็จะสงบต่อไปก็ต้องมองเวลาด้วยนะเวลามันผ่านไปผ่านไปตลอดเวลาเวลาน้อยลงน้อยลงไปทุกวันไม่ใช่มีเพิ่มมากขึ้นงั้นอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้ทําอะไรให้เกิดประโยชน์กับจิตใจอย่างน้อยก็พุโทโธนี้ก็ได้ประโยชน์แนะ อย่าปล่อยนั่งไปคิดถึงข น, นมนมเนยคิดถึงกระเป๋ารองเท้าคิดถึงคนนั้นคนนี้ดึงมันมาคิดแต่พุโทโธพุโทโธไปหรือนิบานังวามังสุขขังไปหรืออัตตาหิอัตนโนนาโถหรือบุษธงังธรรมังสังขังสระนังกชามิก็ได้ให้มันคิดอยู่กับเรื่องที่ทำให้ใจเราสงบจะจะทให้เวลาที่มีคุณค่านี้มีมีประโยชน์ แต่ถ้าเราไม่ไม่เอามาทำอะไรนี้เหมือนกับเปิดน้ำที่ดีทิ้งไปไม่มีกระแป้งมารองรับไม่มีเอามาปล่อยให้มันไหลไปไหลไปเดี๋ยวมันก็หมดน้ำน้ำในถังเปิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดชีวิตของเราก็เหมือนน้ำในถังเนี่ยมันจะค่อยๆหมดไปวันนิดวันหน่อยเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็หยุดหายใจพอหยุดหายใจแล้วทีนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว ต้องพยายามหมั่นคิดอยู่เรื่อยๆอันนี้จังสังขารร่างกายของเราไม่เที่ยงเอมีเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีดับตจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเวามไม่ประมาท ก, ก็คือต้องทําอยู่เรื่อยๆอย่าไปประมาทนอนใจคิดว่าเอ้ยเราทําเมื่อไหร่ก็ได้วันนี้ขอเที่ยวก่อนขอเล่นก่อนพอถึงเวลาจะมาทําอาจจะทําไม่ได้อาจจะไม่มีเวลาให้ทําก็ได้ คือร่างกาย จ, จะไม่พร้อมอ า, าจจะเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคภัยเบียดเบียนนั้นตอนนี้พร้อมรีดทาเสียมีค่ามาอย่งางคําถามจากคุณพัทรลโพงค่ะพุทโทรคําเดียวไปถึงระดับอับปนาสมาธิได้หรือไม่ครับได้ได้คํถาถามจากคุณรัชดาพรค่ะ ไม่อยากมาเกิดต้องปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะเนี่ยก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปบวชแล้วถาความสุขจากราบยศสำเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทปะไปอยู่ไปบวชไปอยู่คนเดียวไปรักษาศีลไปเจริญสติสมาธิปัญญาแล้วก็จะตัดความอยากตัวที่เป็นตัวให้หนึ่งให้เรามาเกิดอยู่เรื่อยพอไม่มีความอยากเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป คำถามจากคุณหมูค่ะเรามีอาชีพเลี้ยงสัตว์แล้วขายผิดศีลห้าไหมครับถ้าเราไม่ฆ่าเองก็ไม่ผิดเพียงแต่ว่าเป็นอาชีพที่ไม่ควรเอาไปส่งเสริมให้มีการฆ่าเพราะสัตว์ที่เราเลี้ยงเขาก็ต้องเอาไปฆ่าเพาื่อที่จะเอาไปทําเป็นอาหารเราก็อย่าไปทําอาชีพแบบนี้ได้ก็ไปเปลี่นอาชีพใหม่ขายขายผักแทนหรือขายเสื้อผ้าแทนค ซื้อเสื้อผ้ามาขายขายพวกปัจจัยสี่นอกจากอาหารอาหารก็ต้องเป็นอาหารที่ไม่ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่เกี่ยวข้องกับการตายของสัตว์คำถามจากคุณพัชลักษ์ค่ะการที่เราทำบุญมากมากล้างบากได้ไหมเจ้าคะหรือทำบุญเพื่อหนีบาตให้ตามไม่ทันเจ้าคะ ก็ล้างไม่ได้บาปแต่อาจจะหนีบาปไว้ได้ถ้าบุญมากกว่าบาปบุญก็จะไปส่งผลก่อนบาปก็ยังต้องรออยู่รอจนกว่าบุญสู้บาปไม่ได้กําลังสู้บาปไม่ได้บาปถึงจะนึงบาปถึงจะดึงใจไปให้ไปเกิดในาบาได้แต่เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องรับผลบุญผลบาปอยู่ดีเวลาทําบาปไว้เดี๋ยวเกิดไปเจอเจ้ากรรมนายเวรที่เราไปทําคล้ายของ เขาก็จะกลับมาทำร้ายเราได้เคยจองเวรจองกรรมใครก็อาจจะกลับมาจองเวรจองกรรมเราได้เคยฆ่าใครเขาก็จะกลับมาฆ่าเราได้ถึงแม้ว่าเราไม่ต้องไปใช้บาปแมบายแต่เราเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังต้องเจอวิบากของของบาปได้อยู่เคยยืมเงินเคยโกงเงินใครเขามายืมเงินเราบ้างไม่คืนเราบ้างคิดแต่ว่าเราเคยไปโกงเข้ามาก็แล้วกัน แล้วเข้ามาโกงเราแล้วเขาโกงไปได้ก็แสดงว่าเขาเราเคยไปโกงเข้ามาถ้าเราไม่ได้โกงเขาเดี๋ยวเขาเข้ามาคืนเราให้คิดอย่างนี้ก็นแล้วกันคำถามเจ้าปุณละไรคะ่ะนิพพานไม่ได้แปลว่าศูนย์ใช่ไหมคะแล้วพระอาหารหันต์ท่านไปอยู่ที่ไหนกันเจ้าคะอ๋อนิพพานแปล ว, ว่าจิตที่ศูนย์จากความโลภกดหลงไม่ได้ศูนย์จากการศูนย์หายไป จิตไม่มีวันสูญหายสิ่งที่สูญหายคือสิ่งที่มีในจิตของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆท่านอยู่กับสูญได้โดยที่พวกเราอยู่กับสูญไม่ได้พวกเราต้องอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรส อ, อยู่กับราบยศรเรสิญแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ท่านอยู่กับสูญอยู่กับการไม่มีคาว่าศูญก็คือไม่มีอะไร ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีข้าวของเงินทองไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีแฟนไม่มีอะไรเนี่เรียกว่าศูนย์ไม่ได้หมายเขาว่าศูนย์หายการที่เราอยู่กับศูนย์ได้เนี่มันสุขอย่างยิ่งเพราะศูนย์มันไม่กัดเรามันไม่มันไม่มีวันที่จะหายไปแต่สิ่งต่างๆราบยศสลดเสวนี้มันกัดเรามันกัดเราตอนที่มันหายไปใช่ไหมเวลามันหายไปนี่มันสุขแล้วมันทุกข์ นั่นเลยแล้วเราก็อยากไปหามันอยู่ให้มันกัดอยู่เรื่อยเพราะไม่เห็นว่ามันเป็นหมาอสูงั่ยังมีอยู่ใช่ไคะจิตยังไม่อยู่เหมือนเดิมทาา่านดูอยู่มีอยู่เหมือนเดงมเ่มือนเดไม่มีกิเลส ท, ที่จะมาหลอกให้มาหาความสุขที่เป็นความทุกข์อย่างที่พวกเราหากันอยู่คําถามจากคุณนงรักค่ะถ้าเราคิดเพ่งโทษคนอื่น ทำให้บุญเราหมดไปหรือเปล่าคะไม่บุญเก่าที่ทำไว้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเงแต่เราก็สร้างอ า, อากุสลขึ้นมาในใจเรายังไม่ถึงกับว่าเป็นบาปแต่เป็นเป็นอากุศล์ที่จะนำไปสู่การทำบาปได้ถ้าเราเมันเพ่งโทษคนอยู่เรื่อยๆต่อไปเราอาจจะไปทำร้ายเขาก็ได้ฉั้นอย่าไปเพ่งโทษคนอื่นเพ่งโทษตัวเราเองดีกว่า เป็นโทษตัวเราเราจะได้แก้ไขโทษที่เรามีอยู่ในตัวเราให้หมดไปได้คำถามจากคุณจิ้งจกค่ะการนั่งสมาธิมีอา น, นิสงส์เพียงใดครับนั่งสมาธิก็ทําให้ใจสงบมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคำถามจากคุณน้ําปูค่ะเราจะถวายวิตามินรวม หรือวิตามินชนิดอื่นๆให้พระส่งได้ไหมเจ้าคะได้เป็นยาถวายอาหารถวายอะไรก็ได้เพียงแต่ต้องมีเวลาขั้นตอนเท่านั้นเองถวายอาหารก็ต้องถวายช่วงที่ท่านบินาบาตหรือท่านฉันอยู่ช่วงบ่ายตอนนี้ไม่ควรอาหารมาประเคน ไ, ไม่ควรเอาไข่ดาวมูแฮมมาถวายอะไรตอนนี้ต้องถวายวิตามินนะถวายน้นําปานะไม่ได้เ น, นี่ยมันมีพระเขาถูกกฎระเบียบบังคับไว้ ไม่ให้สะสมไม่ให้รับของที่ไม่ควรจะรับให้รับได้เฉพาะบางเวลาบางเวลาก็รับไม่ได้ของส่วนใหญ่ที่ญาติโยมมาถึงบอกให้วางไว้แล้วให้ลูกศิษย์ก็วางไปจัดการเพราะถ้าไม่รับเองนี่ก็ยังเก็บไว้ได้ถ้ารับเองนี่เก็บไม่ได้ถ้าใครเอาไข่ดาวหมูแฮมมาถวายทนี้รับปักกินไม่ได้ต้องให้คนอื่นไปแต่ถ้าอยากจะกินไข่ดาวมูแฮมนี่วางไว้แล้วเดี๋ยวลูกศิษย์ไปช่ยเย็นไว้ให้พรุ่งนี้เช้าเอาใส่เตา ตอนเช้าเวลาฉันก็มาประเคนได้อาจารย์พระถึงเวลามีของรับประทานจึงไม่อยากจะรับด้วยกับมือคําถามจากคุณเทียนทองค่ะการเข้ากรรมฐานเราได้อะไรคะก็การไปปฏิบัติทาําไงเข้ากรรมฐานก็ไปปฏิบัติกรรมฐานกรรมฐานก็คือการนั่งสมาธิพุทโธก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง วิปัสสนาก็พิจารณาความตายก็เป็นวิปัสสนาขึ้นมาถ้าทําปฏิบัติกรรมฐานได้ก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้คําถามจากคุณกิติพงศ์ค่ะการซื้อขายพระบูชาเป็นบาปไหมครับ อ, อ๋อไม่บาปแล้วเป็นก็เป็นสินค้าอย่างหนึ่งเลยเป็นการขายสินค้า <c oughs> คําถามจากคุณปลายฟ้าค่ะ เราต้องกําจัดมแมลงสาบโดยการพ่นยาแล้วเราต้องเป็นคนไซนัลโนมัสเราเราควรจะวางจิตอย่างไรไม่ให้เจ้าหมองเจ้าคะก็เตรียมตัวรับผลบาป ท, ที่เราทําำนะคําถามจะคุณนงรักค่ะลูกจะทําบุญถวายผ้าใราในวันท่ากระถินจะได้อา น, นิสงอย่างไรบ้างคะก็ถวายวันไหนก็ได้สงเหมือนกันก็ได้ทําทําทานะ ได้เสียสละเงินก้อนหนึ่งไปซื้อผ้ามาถวายฉะนั้นจะถวายวันกระถิ่งก็ได้วั น, นวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้บุญก็ได้เท่ากันอยู่ที่บุญมากบุญน้อยอยู่ที่ว่าถวายกี่ผืนถวายผืนหนึ่งก็น้อยกว่าถวายสองผืนอยาจะได้ว่าบุญมากก็ถวายสิบผืนคำ ถ, ถามจากคุณศีราวาดค่ะในแต่ละวันในสมองมีเรื่องคิดมากมาย แต่เวลาทำสมาธิสมองชอบคิดอยู่ทำยังไงให้มีสติคะก็ต้องหยุดความคิดก่อนที่จะมานั่งเนี่ยถึงสอนว่าให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มันหัดอยู่กับพุทโธแล้วความคิดมันก็จะน้อยลงไปและหยุดได้อาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลา